ขออนุญาตถามตรค่ะอ๋อ่ศนัูนพศเชิญเลยปฐมธรรมหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบสี่ว่าไงเนาะอ๋อลักษณะของผู้เกียดคร้านนะลักษณะของผู้เกียดคร้านตลอดเวลา พิสูุทั้งหลายเมื่อพิสูจกํกำลังเดินยืนนั่ง <c oughs> นอนอยู่ถ้าเกิดขุนคิดเด้วความขุนคิดในการหรือขุนคิดเด้วความขุนคิดในทางเดือดแขนหรือขุนคิดเด้วความขุนคิดในทางทาผู้อื่นให้ลำบากเป่าๆขึ้นมาและพิสูุก็รับเอาความขุนคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำให้สุขสิ้นไปจนไม่มีเหลือทิสุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดอืมดีมากอันนี้จะเป็นมรรควิธี สัมมาสังกปะและถ้าใครไม่ทำอย่างนี้ก็คือไม่สละทิ้งอกุศลออกนะพระสาสดาจะเรียกว่าเธอนั้นเป็นผู้เกียดคร้านอยู่ตลอดเวลานะก็คือเขาขี้เกียจไม่ปลารกความเพียร น, นะนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยก็สัสดาให้ละให้ทิ้งให้ไวที่สุดนะอยากเก็บเอาไวนะ้นั้นในพระสูตรนี้จะบอกว่าภิกษุก็รับเอาไว้ นะรับเอาความรุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สุดสิ้นไปจนไม่มีเหลือนะนี่แสดงว่าขี้เกียจนะไม่ปราลบความเพียร<อ>เข้าใจอยู่เนาะคนอ่านพระสูตร ค, ค่ะ อ, อีกคนมีไหมห้าสองร้อยเก้าสิบเอ็ด หน้า2อ1เ็ดหรอสองอเก้าสเดเป็นยังไงบ้างพิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการไหนเล่าหกประการคือ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยคิติจะพึงปรงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยคิติจะพึงปรงชีวิตบิดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยคิติจะพึงปรงชีวิตพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยคิติจะพึงคิดปัททุสลายโคถาคตแม้เพียงทําโลหิตให้หอก เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยสิทธิจะพึงทำส่งให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือพร้อมด้วยสิทธิจะพึงถือศาสนาอื่นพิกษุเหล่านี้แลถามว่าที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการจะพึงถือศาสดาอื่นเนาะไม่ใช่ศาสนาศาสด า, ส า, สดาอื่น <c oughs> อันนี้ก็ฐานะของความเป็นพระโสดาบันอ น, นันตริกรรมเนี่ยโสดาบันจะไม่ทํา <c oughs> แล้วก็เพิ่มอีกอันก็คือจะไม่ไปถือศาสดาอื่นแน่นอนซึ่งหนึ่งในภูมิของพระเสกขะ <c oughs> ก็คือจะเชื่อมั่นว่าไม่มีคําสอนใดที่เลิศไปกว่าพระศาสดาอีกแล้วนะพระศาสดาเราสอนเลิศที่สุดดีที่สุดนะจะมีความรู้ตรงนี้ เป็นเครื่องวัดในตัวของตนเองก็เดี๋ยวจะอ่านเรื่องของทานของสัตว์ประบลุษให้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 ลักษณะของการให้ทานของสัตตบุรุษคือคนดีจะให้ทานอย่างไรนะท <c oughs> านของสัตตบุรุษคนดีแล้วก็อา น, นิสง์ของการให้ทานนะ <c oughs> ซึ่งจําแนกออกไปหลายอย่างนอกจากเป็นเหตุให้ <c oughs> <c oughs> ได้โพุพทธะซับแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นอีกนะไปดูเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการให้ทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัพปุริสธาน5ประการนี้5ประการเป็นะไหนคืออสัตตะบุรุษย่อมให้ทานโดยไม่เคารพคนไม่ดีอสัตตะบุรุตหมายถึงคนไม่ดีย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่งย่อมให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่ง 1. ไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามให้ด้วยมือตนเองนะให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งคนไม่ดีจะไม่เชื่อผลของาทานที่ให้ทําทแล้วคงไม่มีผลก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัปปุริสสานหาประการนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสสานหาประการนี้หประการเป็นฉนัย สัตบุรุษย่อมให้ทานโดยเคารพคนดีย่อมให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยอ่อนน้อมให้ทานด้วยมือของตนเองนะนั้นให้รู้ว่าศาสนาเราสอนอุบาสกอุบาสิกาเช่นนี้นะสิ่งที่โยมถือมาเนี่ยวางไปก่อนนะเดินตามศาสดาตอนนี้เรามาเดินตามพุทธวจนะศาสดาของเราโดยตรงและโยมจะได้มีข้ออ้างไปได้นะว่าเราทำเพราะอะไรเหตุผลอะไร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 รูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักนั้นนอกจากทานจะส่งผลไปสู่โภคทรัพย์ปัจจัยแล้วยังส่งผลมาถึงรูปงามผิวพรรณงามด้วยนในที่ที่ทานนั้นเปลดผลก็คือบังเกิดผลขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยา ธาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี้ยโสดลงสดับคําสั่งตั้งใจใค ร, ร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเป็ดผลอ น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งก็คือบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรคนใช้ของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคําของเรานี่คืออ น, นิสงส์ของทานนะซึ่งไม่ค่อยมีใครมาจําแนกอ น, นิสงส์ตรงนี้บอกให้เราทราบมักจะพูดไปในเรื่องของโภกทรัพย์เท่านั้นนะ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 ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภค้ามากและย่อมเป็นผู้มีโพคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทาญาทที่ทันนั้นบังเกิดผลนั้นในข้อที่โยมให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นเนี่ยจะทําให้โพคทรัพย์ของโยมเนี่ยไม่เกิดอันตรายจาก ภยัยใดๆนะจากน้ําจากไฟนะจากโจรภัยต่างๆอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทานหประการนี้แล้เพราะนั้นถ้าโยมให้ทานโดยลักษณะห้าประการของคนดีเนี่ยโยมจะได้ผลอ น, นิสงส์ตามนี้นะ <c oughs> นั้นแต่ละอันเนี่ยมันมีผลอ น, นิสงส์ของมันการให้ด้วยมือตนเองให้โดยเคารพให้โดยอ่อนน้อมให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นอย่างนี้นะนั้น ก็ให้ซาเปลืองแงมุมของการให้ทานในแง่มุมของทานที่ให้เนี่ยเอ้าเซ้าหมองหรือปราเน็ดเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรไหมนะพระองค์บอกว่าข้าบรีคนให้ทานอันเศ้าหมองหรือปราณน็ดก็ตามก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทําความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน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 ไม่เงี่ยหูฟังทรงจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทําโดยไม่เคารพอันนี้ถ้าโยมไม่ไม่ให้ทานโดยลักษณะห้าประการเนี่ยโยมจะได้ผลนะเป็นฝั่งตรงข้ามอย่างนี้นะข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีิก็ตามเพราะนั้นทานจะให้เศร้าหมองหรือปราณีิก็ตามแต่ถ้าโยมให้ทานโดยเคารพโดยนอบน้อมให้ด้วยมือตอนเองเนี่ยโยมจะได้รับอ น, นิสงส์ตรงนี้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 อยากอวดตนเองว่าเ ป, เป็นผู้สำเร็จแล้วเวลาพระเขาออกไปบินธบากตัวเองก็แอบไปกินอุจจาระนะแล้วก็ทำตัวว่าไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้นะเนี่ยบริโภคอุจจาระตลอดซึ่งตรงนี้เป็นผลกรรมที่เขาเคยเคยให้ของที่ไม่ดีนะในการใส่บาตรเขาให้อุจจาระนะในการถวายของแกสมณะหรือพรามนะก็เลยได้ผลอย่างนี้จิตตัวเองจะน้อมไปเพื่อ กินของที่ไม่ดีอย่างนี้ย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณห่าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรท้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทาโดยเคารพ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ทานของสัตว์บุตก็เลยมาเอาพุทธวจนะคำที่พระาศาสดาตรัสไว้มาถ่ายทอดให้พวกเราทั้งหลายทราบอ่าฮะนมาบวชที่วัดหรอมาบวชก็มาฝึกก่อนมาแจ้งให้ทราบว่าใครเป็นยังไง ต้องแจ้งที่ประธานสงฆ์น่ะโยมจะไปบวชที่ไหนเนี่ยนั่นคือโยมเนี่ยไว้ใจพระองค์ไหนให้เขาฝึกอบรมเข้าใจมอ่าเอ้าก็บอกอยู่นี่ไงก็มาแจ้งให้ทราบแล้วก็มาฝึกไปอย่างนี้ก็ใครเป็นประธานสงฆ์ในวัดนี้อ่ มีใครพรรษามากสุดในวัดนี้ฮะ <c oughs> แล้วจะแจ้งใครอะโยมจะไปแจ้งพระพรรษาเดียวเหรอแล้วให้พระพรรษาเดียวไปอบรมเหรอรอย่างนี้นนากาฮอ่อนน า, าอ่อออาอ้าขาวกอ อ, อ่าฮะสมัยรเจ้าอวั ว, วันไหนอตอนนี้เาพอมอ่าฮะก็เขาก็ต้องถามถามก่อนสิเขามีเวลาบวช นานไหมอะไรไห้ไ<ม>นะถึงเดือนไม่ล่ะนะนะอ่าถ้าถ้าถึงเดือนเนี่ยก็คือก็มาแจ้งให้ทราบแล้วกอ็อยู่เป็นภาคขาวไปก่อนสองอาทิตย์เป็นสั ม, มนเณีอาทิตย์หนึ่งสัมมณีอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยบวชค่อยนัดปันบวชนะเรื่องบวชไปถามรายละเอียดกับพระสมศักดิ์นะ บอกกันไม่จบหรอกมันบอกหลายร้อยรอบนั่นแหละนั่นแหละอ่าแล้วก็ไปอ่บอกถามรายละเอียดกับพระสมศักดิ์มันต้องตรวจของตรวจอะไรถ้ามายุ่งเรื่องบวชคนเดียวเนี่ยไม่ต้องคุยธรรมะกันแล้วก็อาตมาโยนให้พระองค์ไปจัดการมันต้องตรวจของตรวจอะไรเอาอะไรมาบ้างใช่ไหมอะไรที่ไม่จําเป็นเอากลับไปมาแต่ตัวนะอย่างนี้นั่นแหละไปให้พระตรวจ ที่บอกว่าเตรียมม า, มาเตรียมเต็มเกินทุกทีเลยนะต้องเอาไอ้นี่ไปเอานี่กลับนี่กลับให้พระท่านพิจารณาเข้าใจอ่าเราวางพระไว้แล้วว่าพระองค์นี้พิจารณานะโยมพาผู้ชายคนนั้นย่ยไปพบกับพระองค์นั้นพระสมศักดิ์ที่ลงยอนะ้อมนะอ่าอย่างเนี้ยแค่นั้นแหละนะเสร็จอโนน ย, ยมใช้ไม้ก็ได้นะ ในเว็บไซต์เข้าฟังด้วยแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องยังไม่เสร็จเลยอยูอ่ยัง ตอบไม่ได้หราโยมมันก็คือมันก็ติดที่อาตมาอาตมาไม่มีเวลาทำาโยมใช่ไหมก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าก็มีเรื่องเพื่อโยาสนใจเร่วมเวยแผ่ธรรมทางเรื่องของธรมนเป็นเสียค่ะแล้วก็จนจนดูสนของโยมก็จะทำเป็นองค์สเธิตโยมก็จะเป็นสปอนเซอร์เยแ่ธรรมทาง อ่าฮะอ่าฮะตอนน้าก็ถามมาหลายรอบแล้วว่าอะไรทีเป็นยังยังไม่เรียบร้อยอย่างก็ตามเหตุปัจจัยแหละนะเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเน่ยไม่อยากบอกเวลาเสร็จมันแล้วแต่บอกแล้วก็บางทีก็ไปคาดหวังไม่ได้ตามนั้นก็ไปเร่งรัดบีบไอ้คนทํางานคนทํางานก็จะตายใช่ไหมอ่ายังไม่แน่เลยโยมคือ <c oughs> ตอนนี้โปรเจกต์มันเยอะมากอะโยมนะงานนี้ก็มีทํางานเล่มเล็กตรวจแก้หนังสือนี่ก็มีโยมลองมาสิลองมานั่งทํากับอาสาสมัครที่ก็าทำโอโหงานมันอันเยอะมากงานเว็บไซต์งานอะไรตออะไรนะงานมันเยอะมากนั่งทํากันอยู่ตลอดเวลาโยมจะเย็นเย็นเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้น น, ะน่ะนะออฮอ่าฮะ <c oughs> อ่ ก็สนจือคือถ้าได้เาก็อยากปลอดไปก็เื่อทั้งโลก่อ่ว่าก็อาจจะช่วยก็มันยังอนิจจังโยมบวชตลอดเนี่ยเคยมีคนมาบอกบวชตลอดนี้แล้วอยู่สองสาวันก็ไปแล้วนะมันไม่แน่นอนเลยสักอันอ่าอ่าอ่าก็รับทราบไว้เฉย ไม่เหมือนไม่ดังนะมันมันติดหรือเปล่าเนี่ยไม่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลเปิดทิ้งไว้เลยไม่ต้องปิดเยิม <Hello. S 1> หมดก็เปลี่ยนทานนะเพราะคนเปิดยากแล้วมันก็ปิดปิดเปิดเปิดเปิดทิ้งไว้เลยนะแล้๋ยวขอถามอนะา<ห>จารย์เรื่องนึงค่ะ mm hmm. เรื่องที่ว่าเออมีขันสี่ขันเนี่ยค่ะห uh huh. มายถึงอรุ ป, ปรพรมหรือเปล่าเจ้าคะอะไรนะมีขันที่ว่ามีขันสี่ขันเนี่ยค่ะหมานยะถึงอรุปรพรมหรือเปล่าเจ้าคะ หมายถึงอรูปปรมนึกเปล่านี่ขันสี่ขันก็เป็นได้อัตตาที่ไม่มีรูปก็คือพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปนะก็คือเป็นเทวดาที่ไม่มีรูปสําเร็จด้วยสัญญาเป็นอัตตาที่ไม่มีรูปสําเร็จด้วยสัญญาแต่ น, นีพ่พวกที่เป็นที่เป็นพรหมเนี่ย เวทนาก็จะมีเฉพาะอุเบกขาหรือเปล่าเจ้าคะพอใจไม่พอใจผมไม่มีใช่ไหมเจ้าคะอืมไม่ใช่นะเพราะว่าพวกอารูปเนี่ยละสังโยชน์ได้หรื อ, อ ย, ยังหละโย่ ม, มันวัดตรงนั้นไม่ได้ยังยังไม่ได้วัดไม่ได้นะคนที่ได้สมาธิแล้วยังละสังโยชน์ไม่ได้เลยก็มีมนะเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่เครื่องวัดอริยบุคคล ผู้เจ้าไม่เคยใช้สมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริบุคคลเลยน ะ, ะ, ะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยเป็นเครื่องมือให้หลุดพ้นได้แต่ไม่ใช่เกณฑ์วัดอริยบุคลคลตัวสังโยชน์เป็นตัววัดอริยบุคคลเดี๋ยวนี้จะขอว่าเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายสมาธิขั้นที่ห้าถึงขั้นที่เก้าเจ้าค่ะขั้นที่ห้าถึงขั้นที่เก้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ขั้นที่ห้าขึ้นไปก็อากาสานัญจายตนะ หมายถึงทาในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณัญจายตนะคือทาในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะอากินจัญญายตนะทาในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนะคือว่างหมดนะทําจิตให้ว่างสัญญาการหมายรู้ในสิ่งต่างๆเนี่ยก็พยายามวางให้หมดนะแต่ก็ยังถือว่ามีสัญญาอยู่เป็นสัญญาในความว่าง นะก็คือจริงๆแล้วว่างไม่จริงเพราะวิญญาณเนี่ยยังไปรับรู้ได้อีกขั้นหนึ่งก็คือเนวสัญญาณาสัญญายาตนะก็คือสัญญามีบ้างสัญญาไม่มีบ้างก็เป็นอีกสมาธิอีกขั้นหนึ่งที่สัญญามีบางทีก็มีบางทีก็มกไม่มีนะสังขารยังมีอยู่ไหมเจ้าคะสังขารมีสิเยอะยังไม่ได้มีสมาธิอันไหนดับสังขาร น, นี่ใช่ไหมอ่า พอขึ้นไปอีกอันหนึ่งก็คือสัญญาเวทิตนิโรธสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาเวทนาดับครั้งแรกดับรูปได้พอมาถึงขั้นนี้ดับสัญญาดับเวทนาได้เหลืออะไรเยอะกะอะไรวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนากับวิญญาณหรือไะเมื่อกี้บอกดับเวทนาดับสัญญาสังขารน่ะ ใช่หรือสังขารกับวิญญาณสองขนังขนเห็นไหมอ่าแล้วแล้วจะดับหมดมีไหมเออก็คือต้องต้องดับสมาธิสุดแค่นี้ถ้าดับตรงนี้ได้อีกอันก็เข้าวิมุตตชื่อของสมาธิเนี่ยเป็นการบอกคุณสมบัติของสมาธิขั้นนั้นๆนะนั้นตรงนี้ก็ ให้ทราบไว้ว่าการไปแต่งชื่อสมาธิใหม่เนี่ยทำให้เข้าใจผิดกันไปนะยิ่งในคำว่าคว่าฌานเนี่ยจะไม่มีในสมาธิในระดับอรูปพระเจ้าไม่เคยใช้สมาธิระดับอรูปใช้คำว่าฌานนะเพราะเป็นการทำในใจไม่ได้เป็นการเข้าไปเพ่งนะเหมือนกับลักษณะของฌานที่หนึ่งสองสามสี่จะเป็นการาวางจิตที่ต่างกัน ท่านอาจารย์นะขอสอบถามหนะะ่อยค่ะ huh. คือเมื่อเช้านี้ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับบทสวด น, นะฮะอ่าฮะทีนี้ก็เกิดความสงสัยเพราะว่าตอนนั่งฟังก็ฟังไปฟังมาแล้วก็คิดตามไปด้วยว่า uh huh. อ่าสุตตัตถ์ที่ที่แต่งขึ้นใหม่นี่นะฮะใช่ไม่ควรจะไปเงี่ยหูฟังใช่ไหมคะถูกต้องศาสดาจัดอย่างนั้นค่ะ uh huh. นี่กรณีที่เราไปวัดทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีบทสวดอะไรทั้งหลายนี้เราไม่ควรไปเงี่ยวหูฟังหรอคะโยมจะตรงกับศาสดาหรือตรงกับใคร ใช่ไหมถ้าเราตรงกับศาสดาก็เราก็ไม่เงียหูค่ะฉะนั้นเราก็ควรจะลุกขึ้นเลยว่ากระทำยังไงคะแล้วแต่โยมเห็นประโยชน์จากตรงนั้นไหมล่ะถ้าโยมเห็นประโยชน์โยมก็ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเราไม่ลุกแต่เราไม่ใส่ใจเราอยู่กระลมหายใจได้ยินไหมไม่ได้ยินเงื่อนไขมีต้องเยอะหลายแบบนะคือการไม่เงียหูฟังก็อาจจะยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอาจจะตั้งจิตไปที่อื่นใช่ใทีนี้กากรณีที่เราเงียหูฟังโดยที่เรา เราก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นนะคะคือไปเช่นไปเชิญผ้ามาบทสวดมาสวด ม, มนต์สวดอะไรทั้งหลายเนี่ยาาเราเป็นผู้สนับสนุนเราเป็นสลักไม้ตัวที่ทิมแทงเข้าไปต้นไม้หรือเปล่าคะด้วยไงด้วยในกองยั<น>ยงงั้นเราก็เป็นตัวที่ทําให้ศาสนาศาสนาเสริมสิฮะใช่แน่นอนแล้วอย่างนี้คนทั้งประเทศตอนนี้ก็สักเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นอย่างนั้นนะฮะทั่วโลกด้วยู่ทั่วโลกนะฮะใช่ ตัวโลกไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวงี้เราก็เป็นคนชนชนกลุ่มน้อยช <laughs> นกลุ่มน้อย <laughs> ที่ที่เราจะพยายามที่จะไม่เป็นสลักตัวที่ทิ่มแทงลงไปในกลองเนี่ยไม่เป็นไรแต่ก่อนผู้เจ้าตัดสรุปครั้งแรกก็ชนกลุ่มน้อยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมแล้วผู้เจ้าก็ใช้พระลานแค่หกสิบรูปเผยแผ่จนศาสนาแผ่ภัยสานไปทั่วโลกในแค่เวลาสี่สิบห้าพันของพระองค์ใช่ไหเนี่ยถ้าเราเนี่ย รู้เหตุปัจจัยที่พระศาสดาบอกแล้วว่าทําอย่างนี้ศาสนาจะแผร่ไพศารไปทั่วโลกทําอย่างนี้ศาสนาจะเจริญเราจะกล้าทําตรงตามศาสดาไหมนั้นตรงนี้แหละเป็นตัววัดและเป็นตัววัดใจโยมเยนโยมจะยืนเคียงข้างศาสดาหรือยืนเคียงข้างไข่ใช่ไหมอย่างนี้อื่าคือที่ฟังเนี้ยก็เข้าใจว่ามีเหตุผลในการที่เราควรจ ะ, ะจะทําในสิ่งที่ปฏิจจ์ อ่าสมุตดประบาทเนี้ยนะฮะ uh huh. เราควรจะทําสิ่งนั้นอยู่แล้ว uh huh. ทีนี้กําลัง uh huh. กําลังสงสัยมึนงงอยู่กับศา uh huh. ส, สนาเราในประเทศเราเนี้ยฮะ uh huh. เพราะว่าเน้นเรื่องบทสวดกันมากอ่า uh huh. อันนี้เราพึงปฏิบัติยังไงฮะในการที่ก็ไม่เห็นจะต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจแค่โยไม่สนใจมันก็จบไปละแค่นั้นเองอะ่ะไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปทําอะไรตัวเราเองสนใจคําศาสดามันจบแล้วนี่โยไม่เห็นต้องไปว่าอะไรใครเลย ไม่ต้องไปตําหนิลายใครด้วยเพียงแต่เราไม่ไปใส่ใจของเขาเราใส่ใจกับคําศาสดาของเราแค่นั้นเองอะ่ะต่างคนต่างใส่ใจคําศาสดาตัวเองไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยใครจะมาบีบคอบังคับโยมได้ว่ายมจะศรัทธาใครใช่ไหมอืมใครใครรู้จริงอะ่ะในเรื่องของวัตตวิวัตตะ์ะใครรู้จริงเรื่องกรรมยังมีคนไปสกิดเธอเธอไปนอนในโรงกับฉันมไหมเขาว่าแก้กรรมได้ เธอเธอไปเดินลอดโบสถ์ไหมเขาว่าแก้กรรมได้เฮ้ยไปบูชาชูชกกันไหมเขากําลังดังเลยนะโยมจะไปไหมล่ะมันอยู่ที่ศรัทธาเราอะ่ะเราไม่ศรัทธาเราศรัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ไหนแสดงคําสอนของพระราศาสดายมไปที่นั่นใช่ไหมอ่าอย่างนี้แค่นั้นเองง่ายๆอืมแล้วเราก็ส่งคําพระราศาสดาส่งตรงถึงมือทุกคนแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมโยมสามารถโหลด คำสอนพระศาสดาทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ในมือถือโยมได้นะ h o n e iPod iPad มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบของ Android ของ Apple นะทำให้เสร็จหมดแล้วทุกคนมีข้อมูลเท่ากันโยมก็มีข้อมูลเท่าอัตมาใช่ไหมต่างคนต่างตรวจได้แตมาพูดผิดโยมค้านได้ในพระสูตรยกขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่ยากเลยโยมแต่ก่อนเนี่ยเขากักข้อมูลกันมีไหมพระเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเรียนมาจากอันนี้อันนี้เขาไม่บอกโยมหรอก เขาก็เก็บกักกันไว้ไม่มีพระไม่ค่อยเห็นมีพระองค์ไหนมาบอกหลักฐานที่ตัวเองศึกษามานะอะไรนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบหรือเปล่าว่าเออถ้าเขาไม่ทราบเขาจะศึกษาจากไหนล่ะเขาศึกษาจากไหนเนี่ยเขาไม่เคยบอกสิ่งที่เขาศึกษามาไงนะเขาศึกษาจากใครฟังมาจากใครล่ะเขากล้าบอกคนนั้นไหมเขาไม่ค่อยบอกอะ่ะปัญหาคือตรงนี้แล้วโยมก็ตามไปรู้ไม่ได้แล้วก็เลยเช็อะที่บ อ, บอกว่าไม่ทราบไี่หมายความว่า<ๆ>เขาอาจจะศึกษามาจาก ่าโสดาบันหลายหลายท่านโดยที่ไม่ทราบว่าก็บอกจากใครล่ะจากอาจารย์นี้ก็บอกสิจากอาจารย์นี้มันไม่ใช่จากกำไลอย่างเดียวนี่โยมฟังมาจากใครอ่ะฉันฟังมาจากอาจารย์กออาจารย์กอฟังมาจากอาจารย์ขออาจารย์ขอฟังมาจากใครก็พูดแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมเราจะได้ไปสาวไงอืมก็สาวไปเรื่อยเืยโยมลองสาวไปสิอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ไล่ขึ้นไปเนี่ยชนพระพุทธเจ้าไหมใช่ไหมในศาสนาพุทธเนี่ยอืม คุณคะเราไม่ค่อยไม่ค่อยเช็คไงเจ้าพูดไม่ค่อยเช็คกันไม่ค่อยสาวทวนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านอาจารย์คะขอต่อจากยู่นี้คะ่ะ<อ>พอดีที่บ้านนี้ตัวดิฉันเองเป็นทั้งครอบครัวสามีแล้วก็พ่อแม่นี่ถือเป็นฮินดู<อ>แล้วก็เวลามีกิจกรรมหรือเวลาจะมีทางพุทธศาสนาอะไรเขาก็จะ กระทำในการฮินดูดแล้วตัวดิฉันก็ต้องไปร่วมด้วย uh huh. แล้วในขณะที่ตัวดิฉันก็ศรัทธาในทางพระพุทธเจ้าไม่คาบว่า uh huh. รเราควรจะปฏิบัติยังไงก็ <c oughs> อระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยไม่กระทาซึ่งวัตโกตุละมงคลโดยความเป็นสาระโยมไม่หวังสาระจากการกระทาตรงนั้นโยมก็ทำไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะเพื่อความพร้อมเพียงของญาติพี่น้อง แต่เราไม่ได้มีความศรัทธานในใจตรงนั้นใครจะมารู้ว่าขณะที่โยมอยู่เนี่ยโยมดูลมหายใจเข้าออกอยู่โยมคอยทิ้งอกุศลอยู่ในใจกายวาจายมก็ทำไปตามเขาก็าไม่เห็นเป็นไรญาติพี่น้องเราใช่หมหยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเขามาถามความเห็นเราเราบอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่หลุดพ้นไม่ได้แต่เขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะถ้าเขาอยากรู้เราก็บอกให้ ว่าเราศรัทธาตรงนี้เราจะทําอย่างนี้และถ้าโยมขึ้นมาเป็นผู้นําปับ๊บโยมก็นําพาลูกหลานโยมได้เหมือนกระโยมอยู่คนเขาก็ไปไหว้ที่อะไรฮวงซุ้ยอะไรของเขาเรื่อยๆแต่พอเข้ามาฟังพุทธวจนะเขาก็ไปไหว้บรรพุลุษของเขาแต่เขานั่งอ่านพระสูตรให้ลูกหลานเขาฟังเพราะเขาใหญ่ที่สุดในตระกูลเห็นไหมอตอนนี้ทําได้แล้วใช่ไหมเขาพาลูกหลานนั่งสมาธิอ่านพระสูตรให้ลูกหลานฟังเป็นยังไงใช่ไหมโยม ใหญ่ในตระกูลเมื่อไหร่ทำเลยใช่ไหมตอนนี้ตามก็ไปก่อนก็ได้แต่ศรัทธาอยู่ในใจเราเราเชื่อว่าผู้เจ้าเลิศสุ ด, สดคำถามนาคะอาจารย์เวลาเดินสมาธินี่ไม่ทราบว่าเราควรจะตั้งจิตอยู่ที่ลมหายใจหรือว่าที่เท้าคะตั้งจิตอยู่กับกายของเราธาตุดินก็ได้นะก็คือแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยให้รู้ พระศาสดาบอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนหยิบบาดจีวรสังกติก็คืออากัปกิริยาของกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปอย่างไรให้รู้ตามการเคลื่อนไหวนั้น น, นันั่นก็คือเวลาเคลื่อนไหวรีบดเนี่ยให้ทําอย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอาจารย์คะคนที่ตาบอดหูหนวกได้มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมไหมเจ้าคะคนตาบอดหูหนวก เราเรียกว่าคนทุพพลภาพใช่ไหมพระศาสดาบอกว่าถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดไม่ห่างจากห้าวิธีนี้ผลที่หวังได้คือพระอราหันต์หรือพระอนาคามีนะได้ไหมได้นะแล้วพิจารณาความไม่งามของกายความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจาในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนี่คือห้าอย่าง ทุกของเขาจะน้อยกว่าคนธรรมดาไหมคะคือภาษทางตาเขาก็ไม่มีแล้ภาษทางหูก็ไม่มีทุกของเขาจะน้อยกว่าคนธรรมดาไหมเจ้าคะทุกของเขาจะน้อยกว่าคนธรรมดาไหมทุกหรือไม่ทุกเนี่ยอยู่ที่การละสังโยชน์ของเขาเขาก็ทุกเพราะความอาพาธความแปรปวนความเปลี่ยนไปของสังขารร่างกายของเขานั่นก็คือความทุกของเขาที่อาจจะมียิ่งกว่าคนธรรมดา แต่ทุกจากผัสสะตรงนั้นอาจจะยังไม่มีนะเพราะผัสสะไม่ได้รับกระทบนะแต่เขาจะมีความทุก์จากการที่ร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้รับผัสสะทางนั้นซึ่งจิตน่ยมันยังอยากแต่ตัวร่างกายมันทำไม่ได้มันก็มีความทุกข์แล้วตรงนี้นะ เ, เป็นมาโดยกำเนิดเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินก็าอาจจะละวางไอ้ทางผัสสะทางตาทางหูไป ให้ให้อวัยวะเสียห้าช่องทางเลยโยมตาเสียหูเสียจมูกเสียนะลิ้นเสียนะผิวกายเสียนะชาหมดทั้งตัวรับรู้ไม่ได้นะใจยังทํางานอยู่นะไม่มีทางไงโ ย, ยมยังหมดกิเลสไม่ได้จิตยังวิ่งไปสร้างภพเกาะรับรู้เรื่องนั้นรับรู้เรื่องนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยน ะ, ะนั้นเขารับกรรมตรงนั้น ณนะวันใดที่เขามีอายนะครบถ้วนเขาก็มีกิเลสจากอายนะทานั้นๆอีกเพราะเขาไม่ได้ออกจากทุกข์ด้วยอุบายเครื่องออกไปพ้นตามที่เป็นจริงคือมารู้อเลยสัตติไม่ใช่อายนะเสียอย่างนี้ก็ทําลายอายนะมันให้หมดจะได้เป็นพระหลานวัยๆนะหรือทําลายห้าอายนะนาของกายก็ได้เป็นพระนาคามีอย่างนี้เลยใช่อืมมันยังมีอยู่เหมือนเดิมนะ มีภาษาเข้ามาเนี่ยเราเรารู้เท่าทันอราเรารู้เท่าทันมันเออมันนรู้รู้เท่าทรู้เท่าทันมันแล้วแต่เราจะดับมันได้ยังไงไม่ให้ทุกเวลามีภาษาเข้ามาทางอัจฉระทางใดๆก็ตามนี่ค่ะนิวกลมหายใจอ่ะก็กลับมาที่ดูลมหายใจง่ายนิเดียปล่อยวางทั้งหมดที่มากระทบใช่ใช่พระศาสดาบอกเอาจิตตั้งอยู่กับกายเข้าไว้น่ะ เวลามีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเธอเนี่ยส่งจิตออกไปข้างนอกนะไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสตินะหรือพระองค์เปรียบเหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองนะก็คืออารมณ์การภาวนายมใช้อะไรใช้ลมหายใจยมอยู่กับลมหายใจ ขอโอกาสครับค่ะอาจารย์ว่า ง, ง่าต้องมะสูตรลอ่าเยี่ยมเลยอากมา108ร้อยแปดตถาคตภาสิตพรอสูทรทเจ็ดบุคคลควรรู้จากการไม่นินชัยในความสุขมเมื่อรู้จากการไม่นินชัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในคืออะไรครับอืจับนะ จบหรือยังไงจบโอเคสุขในภายในก็คือสุขอันเกิดจากสมาธิน ะ, ะผู้เจ้าบอกบุคลคลควรวินิจฉัยในความสุขเนี่ยวินิจฉัยอย่างไรสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายห้าช่องทางของกายเนี่ยสุขสมณะใดๆเกิดขึ้นเพราะห้าช่องทางนี้สุขสมณะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพมากทำมากจเจริญมากควรกลัว แต่สุขอันเกิดจากสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตเตยฌานจตุฌานเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทํามากจเจริญมากเคยมีปริพพาชกเข า, เาว่าสาวกของพระศาสดาว่าเป็นผู้เสพสุขพระเจ้าบอกก็ให้ตอบเขาว่าถูกต้องนะเราเป็นผู้เสพสุขเป็นผู้เสพสุขในสมาธินะฌานที่หนึ่งสองสามสี่เรากระทําสมาธิอยู่เป็นประจำนะ อย่างนี้พระเจ้ามีวิธีแก้ต่างนในคำพูดหลายๆอย่างกืับหลกับไปนถามท่าอาจารย์ค่ะอพอดีเพิ่งพาคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญค่ะที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากถามพระสูตรใดที่ควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทรบทราบแล้วเพราะเป็นผู้พึ่งปฏิบัติใหม่อะค่ะอ๋อก็ง่ายๆโยมคือเราเนี่ย คัดเลือกดูมาแล้วว่าพระสูตรใดที่ผู้เจ้าเนี่ยพูดบ่อยสอนบ่อยบอกนิส่งไว้มากแล้วทําแค่อย่างเดียวม้วนเดียวเนี่ยไปยันนิพพานเลยนะอยู่กับลมหายใจละนันทิแค่เนี้จิตโยมเนี่ยคิดเรื่องอะไรเนี่ยรีบวางแล้วรู้ลมหายใจเข้าไว้คิดเรื่องอะไรรีบวางรู้ลมหายใจเข้าไว้โยมทําแค่เนี้นะภพชาชราโมระจะถูกตัดไปทุกขณะแห่งการกระทํา มั่นใจเลยว่าพระาศาสดาสอนไม่ผิดยมเดินแค่เนี้ยทำแค่เนี้ยนะพ่อแม่อายุมากแล้วไม่ต้องไปแตกฉานมากก็ได้เอาหลุดพ้นเป็นหลักดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมอ่าเราก็ขวนขวายปาราบความเพียรในมักวิธีที่ง่ายสะดวกต่อการเข้านิพพานใช่ไหมละนันทีเรื่อยๆพรเจ้าบอกแค่ละนันทีเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยส่วนการเจริญอนาปาเนี่ยพเจ้าบอกผู้ใดทามากเจริญมากเนี่ย ผลที่พึงหวังได้สองอย่างในปัจจุบันนี้คือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจไปก่อนนะรู้ลมหายใจเข้าไว้แค่นั้นน่ะกายคตาสติอีกข้อหนึ่งนะคะในปฏิจจสมุปบาทนะคะมเมื่อเกิดผัสสะใช่ไหมคะผัสสะเราเอ า, อายาธนะรับรู้แล้วเกิดผัสสะพอผัสสะเกิดเวทนาเวทนาไป ตัณหา uh huh. แล้วไปอุปทาน uh huh. พออุปทานยึดมั่นเนี่ยเกิดภพก็อยากสอบถามพระอาจารย์ว่าภพเนี่ยมันคือภาวะสวะภพมันเป็นกิเลสชนิดหนึง uh ่ง huh. ใช่ไหมคะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนี้เราจะเห็นภพตัวเนี้ยว่ามันก่อให้เกิดจากจากตัณหาไปอุปทานที่เรายึดมั่นแล้วแล้วเราไปเกิดในภพตัวเนี้ยมันเป็นลนักษณะแบบไหนนะคะพระศาสดาบอกอย่างนี้เยื่ม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระไม่ค่อยอธิบายให้โยมฟังโยมจึงไม่เข้าใจแยกไม่ออกว่าพบกับชาตินั้นเป็นอย่างไรนะและถ้าโยมแยกเรื่องพบกับชาติเข้าใจชัดเจนตรงนี้แล้วเนี่ยโยมอ่านคำพระเจ้าเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะตรงนี้สาคัญมากพระศาสดา บ, บอกพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเนี่ยตกลงไปในผืนนานะอ่านะ นั่นคือผืนนาเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชในการที่จะงอกถูกต้องไหมอ่านั้นเมื่อ <c oughs> เมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาผืนนาคือพภพพระเจ้าบอกเมล็ดพืชคือวิญญาณ น, นะเมล็ดพืชยังงอกขึ้นด้วยอะไรพระศาสดา บ, บอกว่าน้ําเปรียบเหมือนนันธิราคะเพลินและพอใจน้ำเนี่ยลดไปก็คือเราเพลินพอใจ เพลินพอใจในภพนั้นมเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมานะเจอน้าําคําความเพลินเพราะนั้นขณะที่งอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติมเมล็ดพืชตั้งอาศัยในผืนนาเรียกภพงอกขึ้นมาเป็นชาติงอกพ่อไหลงอกพ่อนามเห็นไหมจิตรับรู้ลมเหมือนกันรับรู้ปับ๊บพบมีละวินาทีที่สองโยมรู้ต่อไปก็คืองอกชาติและจบด้วยชลาโมนะดับ จิตรับรู้อารมณ์ใหม่พบรู้ต่อไปชาติจบด้วยชลามมณนะถ้ายมรู้อย่างนี้ยมกล้าเพลินกับอารมณ์ไหมไม่กล้าเลยเพราะนั่นคือเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ชลาโมนะกำลังมีขึ้นแล้วนะผู้เจ้าจึงบอกการก้าวลงของวิญญาณเนี่ยคือการปรากฏขึ้นแห่งชาติชลาโมรณนะนั่นวิญญาณไปรับรู้อารมณ์ใดก็ตามนั่นคือพบชาตนะิชราโมณะกาลัง เกิดตามมาแล้วเห็นนะโยมจะแก้ปัญหาสังสารวัตรการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้นั้นโยมจะเข้าใจที่ผู้เจ้าสอนเลยว่าทําไมผู้เจ้าให้ละนันทิเข้าใจไหมโยนทิ้งเลยการละนันทิเนี่ยค่ะเป็นความเพลินอย่างหนึง่งใช่ไหมคะมีอะไร น, น, นะคือการละนันทิอะค่ะเวลาเราละเนี่ยเราใช้ปัญญาในการละใช่ไหม <c oughs> ใช้สติใช้สตินะสติการละลึกได้ กลับมาที่ลมหายใจของเรากลับมาที่กายผู้เจ้าให้เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติจะเป็นลมก็ได้การเคลื่อนไหวรีบดก็ได้การทํางานในปัจจุบันก็ได้นะสติการระลึกได้กลับมาที่นี่นะเมื่อสติกลับมาเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามามาเพราะอะไรขณะที่โยมระลึกได้กลับมาปับ๊บอารมณ์นึงจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดหลุดไปปับ๊บเนี่ยอารมณ์นี้จะดับอารมณ์นี้จะเกิดโยมดึงกลับมาอารมณ์นั้นจะดับอารมณ์นี้จะเกิดเห็นนะ โยมจะเห็นอะไรเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับหรือขันทั้งห้าเหมือนกันนั่นแหละถูกต้องเป็นปัญญาละเห็นนะปัญญาที่เห็นเนี่ยจอเห็นแค่อารมณ์เกิดดับหรือว่าเราจะต้องเห็นขนาดว่าเออนี่มันเป็นทิฏฐิมานะนะอันนี้มันเป็นตัวกูของกูนะอันนี้มันเป็นเไม่ต้องหมดไปเองหมดไปเองเอาแค่ตรงนั้นทุกอย่างหมดไปเองแค่ละนันทิละนันทิไปเรื่อยๆความเร็วในการละจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น จนกระทั่งถ้าโยมทิ้งอารมณ์ได้เร็วดุจกระพิบตาซาสดาก็ชมว่าอินทรีย์ภานาชั้นเลิศอีกอันหนึ่งค่ะข้อแตกต่างระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิอะค่ะเพราะมีบางคนเนี่ยจะชอบพูดว่าเวลาเวลาเราเห็นอะไรที่มันเกิดเป็น <c oughs> อย่างเช่นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นกรรมกรรมที่เขาได้ทํามาในอดีตชาติส่งผลมาปัจจุบันชาติก็บอกอย่างนี้ ก็จะมีบางคนบอกชอบบอกว่าอะไรอะไรก็เป็นกรรมพอเห็นนู่นก็เป็นกรรมอันนี้ก็เป็นกรรมมันไม่มันเหมือนกับอะไรอะไรก็เอาไปโทษกรรมอย่างเดียวอะค่ะไม่ทราบว่าพระอาจารย์ลองให้ปัญญาแก่บุคคลท่านนั้นดูสิคะพราะอยู่เถวนี้เหมือนกันค่ะมัน ก, มนก็มันก็ถูกของเขาอยู่นะนะมันก็ก็เป็นเรื่องของกรรมนี่แหละนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในระบบของมันนะ สัมมาเอาเรื่องสัมมาทิฏิมิจฉาทิฏฐิก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องกรรมนะมีคนถามผู้เจ้าว่าสัมมาทิฏิสัมมาทิฏิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอผู้เจ้าก็บอกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิบุคคลผู้เห็นอริยสัจเนี่ยชื่อว่ามีสัมมาทินะิ สมาธิี่ยังแตกลูกออกไปได้เยอะมากบัญญายไปได้เยอะมากนะในการเห็นในเรื่องของความมีตัวตนกับตัวตนขาดศูนย์เรียกว่าอัติตากับนาติตานี่ก็เป็นสุดตรงของความเห็นแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นก็คือให้เห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นอนัตตาอยู่ตรงกลางระหว่างอัติตากับนาติตานะส่วนเรื่องของกรรมเนี่ยจริงๆแล้วกรรมก็คือพบ พระศาสดายกอุปมาเดียวกันนะ <c oughs> บอกว่าพื้นนาเปรียบเหมือนกรรมวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผื้นนาชื่อว่ามีกรรมเห็นนะโยงดีๆนะเพราะว่าคําพระเจ้าละเอียดและคมมากนะแม้แต่อุปมาก็ไปเปลี่ยนของพระองค์ไม่ได้นะพื้นนาเปรียบเหมือนกรรมเมล็ดพืช นะเปรียบเหมือนวิญญาณวิญญาณตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นด้วยอย่างในพืชนะความสดและอย่างในพืช น, นั่นคือการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยอาศัย2 ส, ส่วนคือส่วนของเมล็ดที่ติดมาจากเผ่าพันธุ์เดิมนะที่มีผู้เจ้าบอกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทนะและดูดซึมแร่ธาตุจากผืนนาอันใหม่ออกไปนะ นั้นพื้นนาอีกพสูตรหนึ่งผู้เจ้าจะแบ่งเป็นอีกสาระดับว่าเป็นกรรมมาภพนะรูปภพอรูปภพนะตัวกรรมมภพก็คือประกอบด้วยมหาปุถุธาตุสอย่างนี้นะนั้น <c oughs> ตัวกรรมเนี่ยมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเก่านะจนกระทั่งถึงเหตุปัจจัยใหม่ณนะปัจจุบันเพราะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะและความดับของกรรมคือผัสสะ เราเนี่ยอยู่ในระบบของกรรมเพราะฉะนั้นหนีกรรมไม่ได้เพราะตัวเราเนี่ยคือระบบของมันเลยตัวโยมมีห้าธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสีธาตุก็เป็นตัวกรรมแล้วนะเหลือวิญญาณอีกอันหนึ่งที่เข้ามารับรู้ผืนนารับรู้กรรมนั่นเองนั้นโยมอยู่ในระบบมันโยมเป็นระบบตัวระบบมันเลยละนะ่ะนะอ่าแล้วทุกอย่างจะไม่เป็นกรรมได้ยังไงใช่ไหม อย่างนี้พุทธเจ้าบอกคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมนะเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเรื่องการจาแนกกรรมเนี่ยจแนกไปได้มากมายพระองค์จึงบอกว่าเรื่องของกรรมวิบาของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปคร่ควรเป็นหนึ่งในะอาินตาย4ี่อย่าง 1. วิสัยของพระพุทธเจ้า วิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสอย่างนี้นะส่วนเรื่องของกรรมที่คนควรทราบมีหอย่างต้องรู้ว่าอะไรคือกรรมพระองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่หนึ่งะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะความดับของกรรมคือผัสสะนะเวมตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกับในไดฌานเปลวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกปรมโลกมีวิบากของกรรม ในแง่มุมของระยะเวลามีสามระดับวิบากในทิฏฐธรรมคือทันทีทันใดเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกและวิธีดับกรรมคือมักมีองค์แปดเป็นกรรมมะนิโรท่าคาไม่มีปฏิปทานี่คือหกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมที่เหลือไม่ต้องไปรู้นะเพราะมันยากมากนะ mm hmm. คนที่รู้ได้ก็จะมีแต่ตถาคตเท่านั้นนั้นแค่จากตอนเช้าที่โยมตื่นมาจนถึงเวลาที่โยมนั่งณเวลานี้โยมนับ จำนวนกรรมได้ไหมผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมยมนับไม่ถ้วนเลยตาเห็นรูป ก, ก็กรรมเกิดแล้เดี๋ยวหูไปฟังเสียงเขานินทาเดี๋ยวไปฟังเขาสรรเสริญเราเดี๋ยวไปได้กลิ่นอาหารเดี๋ยวไปกินอาหารโอ้โหเกิดกี่จําไม่ได้หรอกโยมเอาแค่วันนี้ยมยังจําไม่ได้เลยแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วในสังสารวัตรที่ยืดยาวนานวันเนี้ยพระเจ้าจึงบอกไม่มีใครรู้หรอกนอกจากพระเจ้า นั้นใครที่สแกนกรรมเนี่ยโยมพอทราบหลักการเนี่ยโยมจะเข้าใจเลยไม่มีใครทาได้หรอกนอกจากพระศาสดานี่ ม, มันมีแง่มุมเยอะเรื่องกรรมมีเยอะมากนะมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องกรรมสี่อย่างที่พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจผิดกันมากคือหนึ่งคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสองคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาล 3คิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่คิดว่ากรรมขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเห็นนะที่ชาวพุทธเราเนี่ยไปกราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวนะจอมปลวกบ้างต้นไม้บ้างไปขูดต้นไม้บ้างหรือไปไหว้ลูกเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรก็ตามนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไปสู่มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมแบบที่หนึ่งคิดว่ากรรมมีใครบันดาลให้เป็นอะไรได้ นะตัวเองไปทำชั่วมาแล้วก็มาบนโอ้ยขอให้ลูกรอดเถอะนะอ่าไม่ดูหนังสือเลยไปสอบเสร็จก็ไปบนขอให้สอบผ่านเถอะมันจะผ่านได้ยังไงใช่ไหมอ่าเราไม่เชื่อผลของกรรมว่าเฮ้ยต้องทำดีนะผลตอบสนองถึงจะดีนั่นคือเขาเชื่อกรรมแบบผิดๆไงใช่ไหมอืม น, นี่มันละเอียดมากพอสมควรเหมือนกันนะโยมเนี่ยพระโสดาบันต้อง ต้องวางความเห็นผิดตรงนี้ได้เยมนั่นคือมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยฟังเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะเวลาโยมจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมจะมีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนะอาตอมาเป็นนักเรียนเคยถูกพ่อแม่ปลูกฝังให้ไหว้เจ้าที่มาทุกเช้าออกเดินขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนพอนั่งสมาธิภาวนามาสักพักหนึ่งเอ๊ะจะไหว้ไม่ไหว้เลย วันนี้ไม่ไว่ายเดินไปกลางทางอุ้ยเสียวยกมือหันกลับไปไหว้สักหน่อยนะอ่ากลัวมีอุบัติเหตุกลัวโชคไม่ดีอะไรต่ออะไรมันหวาดเสียวไงโยมกว่าเราจะมั่นใจเนี่ยเป็นปีปีไงโยมไหว้บ้างไม่ไหว้บ้างยึกยึกยักยัอย่างเนี้ยนะเห็นนะอ่านี่คือปุถุชนนะอ่าจะหวั่นไหวนั้นฟังเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะอโยมดูเส้นทางขับรถไปเนี่ย ต้นไม้ยายผูกผ้าสามสีมีคนเอาสารเพียงตาไปตั้งเนี่ยเสียวหมดน่ะบีบแต่ปิ้นปิ้นไอ้คำหน้าบีบไว้ก้างหลังมั่งปิ้นป้นบีบกันทั้งถนนเลยใช่ไหมอ่ะอาตมาก็เคยทำนะไม่บีบไปคนข้างหเฮ้ย บ, hey, hey, บีบสิบีบสินะตเตือนกันอีกด้วยนะกลัวไม่ทักแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีนะพอไม่ทําก็เฮ้ย hey, ไม่เชื่ออย่าลบลูอนะ่านะมันมีหมายและไอ้คำพวกนี้ใช่ไหมอ่นะอย่างเงี้ยวันไหวหมดนายโยมใช่ไหม ต่อมาเราก็ลองเป็นไงเป็นกันไม่บีบนะผ่านไปเป็นร้อยรอบยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมอ่ามันต้องวัดใจกันไปเลยนะอยมมัม่นคงสิว่าศาสดาฉันเก่งสุดเนี่ยเราศรัทธ า, าศาสดาเร า, าศาสดาคุ้มครองเรานะอ่าเชื่อมั่นในกรรมเราทํากรรมดีนะเราต้องได้ผลดีนะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมอย่างเนี้ยอืม <laughs> อ่าจะท่งพระสูตรเหรออ่าได้ไดกี่อายุกี่ปีเนาะเท่าไห ร, นะร่นะห้าขวบเหรอโอ้ไม่ธรรมดาอ่าอ่าอ่าเชเวลานั่งสมาธิคิดถึงอะไรครับอ๋อนั่งสมาธิอ่าไม่ไม่ต้องคิดถึงอะไรแต่ให้รู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออก ลองสูดหายใจทีเดียวนะสูดเข้าแล้วก็ปล่อยออกรู้สึกลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมานั่ น, นแหละนั่ น, นแหละทาอย่างเนี้ยนะอ่าทำแค่นี้เท่านั้นรู้สึกลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้พอไหวไหมอ่าทำครั้งเดียวได้ใช่มอ่าเราก็ทำครั้งที่สองทำครั้งที่สามทำครั้งที่สี่นะอ่าค่อยๆ่อทไปเรื่อย เนะพราะผู้เจ้าว่าอย่างไรรู้ไหมเรารู้ลมหายใจเนี่ยชั่วขณะแม้การเพียงเอานิ้วมือมาลัดแค่เนี่ยรัดนิ้วมือเนี่ยผู้เจ้าก็ชมแล้วบอกว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินบาบของชาวแว่นแค้นเปล่าจะปวยกล่าวปยายถึงเมื่อทำให้มากซึ่งอาณาปานสติยิ่งทำมากยิ่งดีนะอ่า ดีไม้มเอานิ้วมือมาลัดนะแค่นี้ปุ๊บเนี่ยรูรลมแค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะทำทุกวันเนาะชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะออสซี่ครับอะไรนะออสออสซี่ออสซี่ออสซี่ออสซี่ออออออสซี่ออสออสซี่ออีออสี่ <Auss ie. S 1> ออสอสซีสี่อีออาจาออรซอออ ยูบีทีทั้งยูบีซีครับยูบีซีอา่าอยากมาเจอ อ, <า>อยากมาเจ อ, อ, เจอและอยากมาเจอเหรอผมสวดมนทุกวันครับอ๋อดูทุกวันเลย <c oughs> อาสวดมนทุกวัน <c oughs> นั่งสมาธีทุกวันเหมือนกันอ<า>๋ออมีแววได้บรรลุธรรมอยู่นั่นเอง ผมแพแม่ตาได้ครับอ๋อแผ้แม่ตาด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอมเป็นคุณแม่เหรออ๋ออ๋ออ๋อเก่งนะอืมอืมอืมสวดอะไรล่ะสวดบทอะไรล่ะอ๋ออ๋ออ่า อ๋อตอนหลังๆ่คอย่าจออ๋อ่าเอาิอยากทไงนะเปลอยากดเป็นมีาอ๋อดีดีอาจารย์เจ้าคะกรรมเกิดจากอะไรกรรมเกิดจากอะไรนะพระศาสดาบอกว่านิธานะสัมภาวะแห่งกรรมคือเหตุเป็นเดนเป็นแดนเกิดอ่า เหตุเป็นดานเกิดของกรรมคือผัสสะนะผัสสะทางตาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุเกิดของกรรมเห็น ไ, ไหมตากระทบรูปเนี่ยน ะ, ะเราเห็นอาหารแล้วน่ากิน่กรรมเกิดละหูกระทบเสียงมาปุ๊บเขาสันเสิญเราพอใจอกรรมเกิดละเห็นไนะอย่างนี้พอเข้าใจไหม เป็นคือเราทำงานอยู่แล้วเราตั้งใจทำงานเนี่ยก็จัดเป็นสมาธิด้วยเรียกสติอธิษฐานการงานอนุสติฐานที่หกที่ตรัสไว้กับพระอานนท์นะเนี่ยถ้าเรารู้มรรควิธีพระศาสดามากๆเนี่ยเราจะง่ายในการประพฤติปฏิบัติโยมจะไม่มาบ่นว่าเอ๊ะไม่มีเวลานะในการภาวนานะคำพวกนี้จะหมดไปเลยเพราะเราทาได้ตลอดเวลานะมรการค่ะพระอาจารย์อ่า อข่ข้างหลังมีหรอต้องได้ไหมอ่าหมดแล้วเชญเชอนอยู่<อ>น้ำสศการข้าพเจอยู่ไหนนาะอ่ออ่อทางโน้นพยายามที่จะนั่งสมาธิอะคะ่ะเวลา <c oughs> ปฏิบัติงานในเวลาปฏิบัติงานนะคะแต่บาง <c oughs> ครั้งเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานบางครั้งทำให้เรารู้สึกมีโทสะมากอะคะ่ะ <c oughs> คือเราก็พยายามที่จะขันติไว้ แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันถึงจุดที่มันระเบิดออกมาะคะ่ะ uh huh. เราเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีปัญญาในการเดินเดินงานต่อไปะคะ่ะ uh huh. แล้วพอสักพักเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะทาให้เรามีสติแล้วก็นึกโกรธตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่อธิบายให้เขาเข้าใจ uh huh. ก็อยากจะทราบว่ า, าควรจะทําอย่างไรต่อไปอะคะ่ะเพราะตอนนี้ คืออยากที่จะเวลาเรามีโทสะแล้วเนี่ยอยากจะดับมันให้ได้อะค่ะก็รู้ลมหายใจบ่อยๆเราขาดการตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติจิตก็เลยไม่มีกำลังในการที่จะต้านทานอารมณนะ์เป็นธรรมดาเป็นทุกคนนะเราก็ค่อยๆดึงกลับมาให้ไวขึ้นไวขึ้นความไวนี้จะพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นไปตามลำดับแห่งการฝึกฝนยมฝึกฝนมากเท่าไหร่ยมก็จะละอารมณ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น อย่าไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ขณะที่โยมสนใจเนื้อหาอารมณ์เนี่ยชาติงอกล ะ, มะเมล็ดพืชงอกละเข้าใจไหมอ่าจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยวางเลยรับรู้ปับ๊บวางเลยให้ไวที่สุดนะถ้าวางทุกอารมณ์ยังไม่ได้ผู้เจ้าบอกให้วางอากุศลก่อนอกุศลสามอย่างการพยาบาทเบียดเบียนนะโยมคิดจะไปพยาบาทเา้าเบียดเบียนเขาไม่ทําอย่างนี้ ก็คือละจิตให้ว่า ง, างทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่กับกายทำงานตั้งใจทำงานเดินรู้เดินไม่ได้ทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกจบละแค่นี้ง่ายนะอขออากาเจ้าค่ะก็รอที่นั่นหรือจะก็มีเสียงส่งไปที่นั่นใช่ไห ม, มฟังตามที่นั่นค่ะ เชิญอยู่ไหนเนาะค่ะค่ะพระอาจารย์ยกมือเดินมเสียงมันมาล่อไม่รู้หาตัวไม่เจอดียมจะมาเรียนพระอาจารย์ว่าที่ที่หันคาไชน่านะคะตอนนี้สำนักพุทธแล้วก็รู้สึกผู้ว่าหันคาเขาอนุมัติแล้วที่จะให้เป็นสาขาของวัดนาค่ะออันนี้ยมขาดปัจจัยเรื่องในการโอนจะประมาณสามหมื่นยมก็เลยมาเรียนพระอาจารย์นะคะอ๋ออ๋ออ ว่าอันนี้ปัจจัยเนี่ยโยมต้องต้องหาเองเพราะวา่าคือต้องเป็นความเป็นความพอใจความขวนขวายของผู้มอบเองนะไม่งั้นมันจะเป็นความอยากของผู้รับที่อยากจะไปได้นะเพราะนั้นตรงนี้เ ป, นเป็นเป็นประเด็นและเป็นเงื่อนไขที่เราจะไม่ไม่ออกค่าอะไรทั้งสิ้นในการรับมอบอะไรนะอย่างเนี้ย เพรานั้นเจ้าของที่เนี่ยต้องขนขวายเองในเรื่องนี้นะแต่เราอายินดีที่จะพัฒนาต่อให้นะอย่างนี้อืมแต่ว่ามันก็มันก็หลายอย่างอนะเพราะว่าไม่ทราบพระอ า, าจอารย์ในส่วนของพระอะค่ะพระอาจารย์ได้สรรหาพระไปอยู่หรือยังหรือว่าไงคะกพพ็พิจารณาแล้วอยู่นะอา่า มีมีพระที่ที่แสดงเจตนาลมจะไปอยู่นะอ่าใช่ทันี้โยมก็จะว่าถ้าเกิดใครมีจิตศรัทธาตรงนี้อ่าอ่าในตรงนี้ค่ะก็จะช่วยกันได้ไหมคะแล้วแต่แล้วแต่อันนี้นะอ่าข้าโอนใช่ไหมฮะก็คงไม่ยากงั้นก็เดี๋ยวติดต่อผมได้เลยอ่า อาจารย์คะ uh huh. ขอถาม uh huh. ต่อคะ uh ่ะ huh. พอดีอยากทราบว่าเคยได้ฟังเรื่องของพระจุลปันโถกอะค uh ่ะ huh. ที่เห็นบอกว่าท่านเป็นคนที่อาจจะมีปัญญาน้อยกว่าพี่ชายของท่านทีนี้พระ uh huh. พระพุทธเจ้าได้สอนให้รูป uh huh. คผ้าแล้วก็มีคาบริกรรมบางอย่างเลยสงสัยเป็นการส่วนตัวว่าคา uh huh. บริกรรมเนี่ยเริ่มมาจากจุดนี้หรือเปล่าไม่มีนะลองไปเช็คบาลีหรือ ย, อยังว่านั่นคือคําบริกรรม ไม่มีนั่นไปเติมเองอ๋ออันนั้นเป็นคําเติมเองอ่าเป็นการเติมเองรูปผ้าเฉยๆไม่ได้ให้ท่องใช่ไมใช่ไม่มีเรื่องคำบริกรรมค่ะแล้วก็มีคําถามข้อที่สองก็คือว่าวันก่อนได้ฟังทางอินเทอร์เน็ตเห็นมีคนถามเรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดจากตัจใจแปดอย่างทีนี้พระอาจารย์ก็ตอบไปว่าสี่อย่างหลังไม่ได้เพราะว่าเหตุเกี่ยวเนื่องจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบมาอีกว่าเออเจ้าของคําถามจะเป็นคนบอกเองนะว่า เหตุปัจจัยตัวอันหลังเนี่ยไม่ได้นะ<า>เราก็ไปดูว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เจ้าทั้งนั้น<า>เขาบอกมาก่อนแล้วก็พระอาจารย์ตอบอีกว่ า, ามีอีกสองข้อถัดมาที่ไม่ได้เหมือนกันทีนี้โยมจําได้ว่าเป็น เ, เป็นพระโพธิสัตว์แต่<า>พระอาจารย์ตอบมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าโยมก็เลยสงสัย<า>ว่า ตกลงสองข้อนี้เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้ากันแน่ก็ต้องไปดูในพระสูตรนะโยมเ mm hmm. พราะนั่นคือเขาโค้ดพระสูตรมาให้เราอ่านตามพระสูตรเนไง oh. อ่าเขาโคดพระสูตรมาในเว็บเลยอย่างเนี้ย <Okay. S 1> ใช่ไหมแล้วก็ข้อนี้ถึงข้อนี้เขาบอกไม่ได้เราก็กลับไปอ่านดูซิ mm hmm. ว่าอะไรแต่ถามว่าเช็คหรือ ย, ยังอาตมายังไม่ได้เช็คก็คือ mm hmm. เช็คตามพระสูตรที่เขายกมาถ้าเกิดว่า mm hmm. เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเกิดได้ตลอดเวลาพระโพธิสัตว์นะโยม เพรา ะ, ะทุกวันนี้ใครปฏิรรมาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้น ะ, ะแต่พระโพธิสัตว์ที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นในกรณีที่เป็นชาติที่เกิดมาจะเป็นพระพุทธเจ้าอน ะ, อะเข้าใจแล้วคะ่ะ ข, ขอบคุณค่ะอ่าฮอ่าฮะพระโพธิสัตท์กวนอิมนะคะอยู่ในประวัติของพระพุทธเจ้าไหมคะ วันนั้นเนี่ยเขาก็ถามมาเราก็คีคำว่ากวนอิ่มเข้าไปไม่มีในบาลีสามลัดนะไม่พบเพราะว่าตอนที่ไปอินเดียเนี่ยแล้วก็คีทั้งในบาลีในภาษาไทยก็ไม่พบเออไม่มีนะคะอ่าใช่เพราะว่าคนนับถือกันมากเลยใช่ใช่แล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยคนนี้ไม่กินเนื้อเพราะว่าไปสัญญากับเจ้าแม่กวนอิมไว้อะไรอ่างเงี้ยก็เยอะเยอะมากเลยก็เลยสัญญากับพระคาถาคตไหนสีบอกครก็ก็เลยบอกเขาว่าเออ ต้องแม่กวลอิมเนี่ยคงไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยแค่ไม่ไม่กินเนื้อน่าจ ะ, นจะเป็นลักษณะอยากให้คุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่มีศีลอมากกว่ามาั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ติดมาว่าเอ้ยพระโพธิสัตว์กวนอิมนี่อยู่ในอยู่ในบริบทหรืออยู่ในประวัติของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะคะไม่มีใช่โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีนะคะยังไปหาสิว่า ไหนอะตัวตนของเจ้าแม่กลอิมอยู่ที่ไหนเ่ยโยมใช่ไหมยังเราหาตัวตนของศาสด า, า, าเราได้ศาส า, า, าเราเอ้าวสืบทอดคำสอนจากวันนี้ถอยไปเจอของรัชกาลที่ห้าถอยไปเจอรัชกาลที่หนึ่งถอยไปเจอยุทวาราดีที่พระเจ้าโศกมาถอยไปเจอเสาหินโศกใช่ไหมอา่าถอยไปถึงอินเดียถึงตัวเจ้าชายสิทธัตถะนะลูกชายกษัตริย์ที่ออกบวชใช่ไหมอา่าอย่างเนี้ย พระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีตัวจริงๆนะหลักฐานตรงนี้กระจายไปที่ไหนอีกในถ้ำที่อัฟกานิสถานเป็นใบาลานแตกเป็นเสี่ยงๆเอามาเรียงต่อกันนะใช้เวลาต้องหลายปีอ่านออกมาได้เป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทเรื่องของอความเสื่อมแห่งโพค้าหทางเรื่องของอภัยมุขซึ่งก็มีในบาลีสามรัฐเป็นคำสอนที่ตรงกันประเทศไทยเจอที่ล บ, บุรี ที่เพชรบูรณ์สลักลงในเสาหินอักษรปาละวะภาษาบาลีพันกว่าปีเหมือนกันหลักฐานตรงกันสลักปฏิจจสมุป บ, บาทเห็นนะเพราะฉนั้นคําสอนศาสดาเราเนี่ยหาตัวจริงๆได้นะไม่ได้เลื่อนลอยไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ลอยมาจากอากาศหรือเป็นพระเจ้าอุปโลกขึ้นมาอย่างนี้ไม่เป็นมนุษย์จริงๆที่มีการฝึกฝนตนเองอย่างดีถึงที่สุดแล้วตัสรู้ทาได้นะรู้เหตุปัจจัยของโลก นะวัตตวิวัตตะดีที่สุดอย่างนี้เนี่ยคือความต่างกันของของคำสอนของเรากับคำสอนแบบอื่นๆนะหาเจ้าแม่ไม่ได้เลยหาตัวไม่ได้ไม่รู้ตัวอยู่ที่ไหนแล้วไหนคำสอนที่ที่ใครว่าอันนี้คือคำสอนแท้นะขนาดพุทธของเรามีตัวจริงๆเนี่ยคำสอนอยังแตกกระจายออกเป็น ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไกว่าจะมาสาวกว่าจะเช็คกว่าจะสืบค้นกันเห็นความเชื่อมโยงกันเนี่ยอย่างแทบแย่เนี่ยากเหมือนกันนะครับอาจารย์คัอ่าฮะอ่าเอาที่ไม่ไม่เยงอกันเออถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จักหรือว่าอยากจะแนะนำผู้ป่วยที่เขาบอกว่า คือเดิมทีก็เคยปฏิบัติมาแต่ว่าความเจ็บป่วยอันนั้นน่ะทําให้เขาเหมือนแบบไม่มีสมาธิที่จะปฏิบัติใจก็จะคิดถึงเรื่องแต่อาการเจ็บป่วยเนี้ยค่ ะ, ะพระอาจารย์พระอาจารย์พอมีคําแนะนำไหมคะว่าเหมือน<ะ>พระผัดคุณนะทําตามที่ผู้เจ้าบอกเลยนะผู้เจ้าเนี่ยไปเทศให้พระผัดคุณนะะผัดคุณะก็เจ็บปวดมากบรรยายความเจ็บปวดเนี่โอ้ยแสนสาหัสมากทั้งปวดศรีรษะปวดท้องเนี่ยเหมือนคนเอามีดมากรีดลําไส้กรีดสมอง นะผู้เจ้าบอกตั้งใจฟังธรรมธรรมแค่เนี้ยนะแสดงธรรมเสร็จกลับไปพระนลบอกว่าพอผู้เจ้ากลับไปไม่นานผัดกุณาก็ทํากาละตายลงแต่ชวีวันผ่องสายยิงนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องสายได้อย่างไรก่อนฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน่าไม่ได้ <c oughs> แต่ฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน่าได้แล้วจึงบอกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของศาสดาก่อนสิ้นชีวิตจะได้ในสองหกประการ แบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งท้ารสั่งยชห้าไม่ได้จะร่าดได้อีกกลุ่มหนึ่งล่สั่งยชห้าได้แล้วจะได้เป็นพระหลานในสองกลุ่มนี้มีสามลักษณะที่เหมือนกันคือหนึ่งได้ฟังคําสอนจากตัวศาสดาโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดามาถ่ายทอดอย่างที่สามเนี่ยตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองนะนั้นโยมจะได้ยินจากศาสดาโดยตรงหรือสาวกที่เอาคําศาสดามาถ่ายทอดได้ในสงฆเท่ากัน นะและ <c oughs> โยมจะละสังโยชน่าเบื้องต่ําได้แค่ฟังธรรมตั้งใจไใข้ควรให้ดีนั้นหน้าที่โยมคือเอาคําพระศาสดาไปให้เขาฟังและสั่งให้เขาตั้งใจฟังธรรมะพระพุทธเจ้านะทําไม่ได้ก็ต้องได้นะเวลานั้นพยายามที่จะทําจิตไปก่อความเจ็บดึงมาลมหายใจจิตไปก่อความเจ็บดึงมาลมหายใจพยายามทําอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยอืคนกําลังจะไหลลงไปหลุมฐานเพลิง ยมบอกให้เขาตะกายขึ้นมาเขาบอกตะกายไม่ไหวงั้นตายแน่นอนต้องใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างที่จะตะกายขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมจะบอกไม่ได้ไม่ได้นะมันหมดเวลาแล้วนะเ <c oughs> จนเารอยิมส ม, มัยการยึดมั่นในขันห้านี่เป็นสมุทยัยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่อย่างใช่แล้วทุกก็คือขันห้าใช่สั้นดีกล่าวด้วมสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เปิด้ยังนะเสียงไม่ค่อยออกสีเขียวแดงเหรองั้นทําปรับไม้ตรงๆนะมันเป็นไม้เสียงที่ตรงต้องตรงๆนะกล่าวดมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไปแสดงธรรมที่ทำงานนะคะ ทราบว่ า, ารพระอา จ, จารย์จะเดี๋ยวติดต่อทีหลังตรงนี้อ <c oughs> ต้องมาดูตารางต้องพิจารณาอีกหลายอย่างโ อ, องเคแต่ครับผมก็ผมไม่ทราบแบบไม่ขอตขอบรู้เปล่านะฮะอฮาาเจิตที่กําลังพุทธที่กำลังตั้งขึ้นนะฮะและกําลังกระดับพุทธเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือเกิดดับนะฮะมันรวมอยู่ในพุทธวัสนะที่เรียกว่า เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปใช่ชาติชลามอม น, นะอาศัยวิเวกเวลาคายและวิโรธเห็นความไม่เที่ยงจังคายดับไปไอ้ น, นี่คืออาการของทุกที่กําลังดับทุกใช่ไหมถูกต้องขอบคุณ<ช>ครับฮัลโหลกลับเรียนถามพระ อ, อาจารย์อีกข้อนึงค่ะาาคือได้จากพาคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมคะเข า, าก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกการทํากรรมเนี่ยมันจะเป็นกําหนดชาติ ปฏิสนธิจิตเราอีกในอนาคตใช่ไหมคะ อ, อันนี้คือณณนะนะเวลาที่จิตจะออกจากร่างเนี่ยคะ่ะเราควรที่จะทําอารมณ์อย่างไรหรือว่ากําหนดกายในกายหรือว่าอย่างไรเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดอาจจะทําอกุศ ล, ลจิตมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเราได้กุศลจิตก็อย่างน้อยก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยหรือว่าเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ถึอคาดว่าสามารถที่จะดับ เป็นโสดาบัลหรือเป็นอะไรได้ผมมาปูดูชนคนมาตั้งเป้าตรงนั้นอย่าไปตั้งเป้าอย่างอื่นคนคพานเนี่ย ป, ปฏิบัติเพื่อการได้กายบัณฑิตประพฤติปฏิบัติไม่ต้องการเพื่อการได้กายอย่าไปอยากได้กายนะยายาไปหย่อนกับกิเลสนะ อ, อนุโลมไม่ได้โยมต้องตั้งเป้าเลยชาตินี้ต้องโสดาบัลให้ได้และโยมต้องอยู่กับลมหายใจจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ผู้เจ้าบอกคนจเจริญอานาปามาเป็นอย่างดีเนี่ยจะรู้แม้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของเขาว่าขณะเนี้ยคือลมหายใจสุดท้ายแล้วนั้นจิตเขาจะอยู่กับกายตลอดจิตเนี่ยโยมมันไปเกิดในสี่สขันสี่ธาตุเกิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารศาสดาให้เอาจิตอยู่กับกายแล้วทิ้งสามขันที่เหลือถ้าโยมเอาจิตอยู่กับกายได้ณนะวินาทีนั้นขณะนั้นเนี่ยสมขันถูกทิ้งไปโดยโอัตโนมัติถูกต้องไหมอ่า <c oughs> และาโยมทาอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยภาวะตัณหาความอยากในการสแสวงหาพบต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปเพราะจิตยมจะมาตั้งมั่นอยู่กับที่ที่เดียวจากนั้นเนี่ยเวลาสามขันที่ดับไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะยมทิ้งมันตลอดเวลาพอขันสุดท้ายที่ร่างกายยมจะแตกสลายดับไปปั๊บเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ พอกายแตกทําลายพวะวิญญาณจะไปเกานะนามโยมก็ทิ้งมาตลอดชีวิตแล้วไม่เอาแน่นอนวิญญาณก็จะหลุดพธนธน้นทันทีโยมจะได้ความเป็นพระลหลานนะเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้หลักการไม่ได้ซับซ้อนอะไรศาสดาจริงให้เอาจิตอยู่กับกายตลอดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตและขณะจิตโยมอยู่กับลมหายใจตรงนั้นคือกุศลแล้ว ผู้เจ้าบอกกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสนี่เราอยู่กับลมเนี่ยได้กุศลแล้วไม่ต้องไปวิ่งคิดเรื่องกุศลอะไรอสติปัฏฐานสี่น่ะใช่ไหมคะดูกายในกายเวทนาในเวทนาจับ ต, ตัวเดียวก็พ อ, อจับตัวเดียวถึงวิมุตได้แล้วไม่ใช่จะต้องจับถึงสี่ตัวผู้เจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองหมดว่ารู้กายในกายถึงวิมุตได้ยังไงเห็นเวทนาในเวทนาถึงวิมุติยังไงเห็นจิตในจิตถึงวิมุตยังไงเห็นธรรมในธรรมถึงวิมุตยังไง รัดเหมือนกันหมดทุกบทพจน์โตสอนเว้นแต่กายเวทนาจิตธรรมพูดซ้ำนั้นเวลาฟังธรรมะพระผู้เจ้าพูดซ้ำเนี่ยอย่าเบื่ออย่าลำคาญเพราะนั่นคือความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ค ะ, ะเวลาเราดูลมหายใจไปนานๆเดี๋ค่ะลมหายใจมีความรู้สึกว่ามันจะแผ่วเบาจนจับไม่ได้แล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่าจิตมันว่างตอนนี้พอจิตมันว่างเนี่ยตอนนั้นเรายกองคธรรมขึ้นมาพิจารณาอะไรองั้น ได้ไหมเจ้าค่ะหรือถ้ามันมันมันว่างจะทายัางไงต่อเจ้าค่ะ เ, เวลามันว่างเนี่ยเวลาโยมไปไปยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพิจารณาแสดงว่ายมยังไม่เห็นโทษภัยในภพชาติชรามอนะนะนะนนก็เลยไปหาหามรกวิธีที่สร้างภพอีกนะไปสร้างการคิดอีกไปพิจารณาการพิจารณาในระดับที่แยกคลายละเอียดเนี่ยก็คือนิ่งนิ่งดูเฉยเฉยที่พระเจ้าบอกว่า ให้เข้าไปเป็นผู้เพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตโยมตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็เฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นสิจะไปทำอะไรตั้งมั่นให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจำไวด้ดีๆแค่นี้เฝ้าดูอยู่ดีๆได้สมาธิแล้วอย่าไปยึดติดสมาธิอย่าไปเป็นตัวสมาธิให้เฝ้าดูสมาธิเนี่ยมันมีการเกิดดับไหมมีอะไรเกิดดับในสมาธิไหม ถ้าไม่เห็นการเกิดดับในสมาธิให้ดูว่าสมาธินั้นเสื่อมไปเมื่อไหร่นั่นคือความดับของมันนะอาจารย์ขออากาศนิดนึงนะเรื่องของการจะเป็นพระสดบันเนี่ยนะก็คือมีศีลห้าเชื่อมั่นในพระตนไตร เอแล้วก็มีการให้ทานอยู่เป็นนิดใช่ไหมฮะอันนี้คือจุดตัดถ้าตัดเมื่อใดที่ไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยน ะ, ะนก็คือเป็นโสดาบัลแล้วนะคะใช่ใชทีนี้โสดาบันนี่กลัวแก่ได้ไหมคะ เ, เริ่มแก่แล้วผมหงอกจะย้อมผมดีไหมตา<อ>เริ่มมีตีนกาแล้วจะโบอท็อกซ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยโซดาบันกลัวแก่ได้ไหมคะ ยังยังไม่ละสังขารในอดีตและอนาคตหนึ่งคือคือเปลี่ยนความเห็นได้แต่ยังละไม่เคยได้แต่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่ไม่ทุกเพราะผมหงอกไม่ทุกเพราะตีนกาเยอะจะทําก็ได้ไม่ทําก็อาจจะเสียใจเล็กน้อยอนะเลี้ยงอารมณ์ไว้สักสามสี่ชั่วโมงแล้วปล่อยวางได้อย่างเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ทิ้งได้ไวดุดประพิบตาเนี่ย ยังมีความหวั่นไหวในผัสสะทางกายอยู่อืเห็นไหมถ้าเราเอาหลักการของอนาคามีมาจับคะจะเห็นว่าโสดาบันสกทาคามีเนี่ยยังหวั่นไหวในภัสายจตนะห้าของกายอืมนะอะยังมีอยู่ได้ยังมีอยู่ใช่ใช่แต่มีอุบายเครื่องออกไปพ้นตามที่เป็นจริงละ ม, มีวิธีแก้ยังมีอยู่แต่มีวิธีแก้ดับเป็นดับได้อืมนะจะใช้มร๘ในการดับนะ นั้นเวลาเกิดความทุกข์เพราะผัสสะทางกายไม่เป็นไปตามป่าถนาก็จะเอาธรรมะมาไขขวนอ๋อให้เอาธรรมะมาไขขวนใช่ช่แต่ว่าตัวชีวัดใหญ่ๆนี้ขาดหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโรบันได้ใช่ใช่ไม่ย้ายห้องทำงานไม่ดูพงจุ้ยไม่ตั้งขานอุภูมิ่อใชอย่างเงี้ยออกรถตั้งบ้านไม่ต้องดูเล่ดูยามจิ้งจกทักไม่ต้องสนใจ แต่มั่นไหวตรงที่กลัวแก่อาจจะยังมีรัศสารักภาษาน่ะนภาษาทั้งทั้งห้าของกายเนี่ยมันยังละไม่ได้สนิทเนี่ยเพราะคนละภาษาทั้งห้าของกายได้สนิทเนี่ยคืออนาคามีนะอไม่หมูไม่หมูขอบคุณค่ะอสักยะทิฐิได้ไหมคะ สักสกายทิฏฐิคืออะไรความเห็นในเรื่องของความมีตัวตนในขันทั้งห้าความเห็นเขาเปลี่ยนแล้วไงแต่ไม่ใช่เ้าละขันห้าได้นะเขาเปลี่ยนความเห็นผิดในขันห้าได้ว่าขันห้าเนี่ยมีมความแปลเปลี่ยนเป็นธรรมดาเป็นอนิจจงนะไม่ยึดในส่วนของความเห็นแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางขันห้าได้นะ โยมดูสิถ้าโยมบอกปล่อยวางได้นั่นคือโยมจะต้องปล่อยวางขันทั้งห้าได้นั่นคือพระลาหัน์ถ้าปล่อยวางในส่วนรูปได้สนิทคือพระนาคามียังเหลือนามธรรมอีกสี่อย่างที่พระลาหน์จะต้องปล่อยวางใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือการปล่อยวางแค่ความเห็นเท่านั้นปล่อยวางความเห็นความเห็นผิดแค่นั้นยังไม่สามารถปล่อยวางอย่างกลัวแก่ก็ยังไม่สามารถปล่อยวางรูปได้จริงใช่ใช่ไม่ไม่ได้ปล่อยวางอความพอใจไม่พอใจอันเกิดจากผัสสะทั้งห้าของกายได้ ยังมีพอใจไม่พอใจอยู่ที่เรารู้คือคือเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคเรากลัวแก่ผมงอะเรายอมรับหมดแล้วแต่ว่าที่เราทําไปที่เรายอมไปเพื่อให้คนภายนอกดูเราดีขึ้นเพราะเรายังต้องออกสังคมอยู่อฮเจ็ตใจเราอะเราก็ทําได้อ่ะโยมงั้นโยมาทําไมต้องหวีผมออกจากบ้านปล่อยลุงลางไปเลยนะลุงปะถุงไปทํางานก็ได้ใช่ไหมก็ที่เราทําไปเพราะว่าเพื่อให้สังคม ใช่ผู้เจ้าถึงบอกไงพระลหันเองก็ยังไม่เพิกถอนโลกสมัญญาโลกาบัญญัติโลเขาบัญญัติอย่างไรว่าเป็นคุณงามความดีอะไรก็ทำไปตามนั้นได้ใช่ไหมแต่ไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเราไม่ยึดถือแล้วเท่ากับเราละได้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์คะจากหนังสืออินซีสังวรนะคะหน้าแปดสิบเจ็ดนะคะ เรื่องผู้ที่ถึงซึ่งความเจริญงอกงาม <c oughs> ภายบุญในธรรมวินัยคราวนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวมาเรืเ่ยอยๆื่อยๆก็มาถึงว่าตรงที่ว่าก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดาหาวงเล็บโดยนิมิตและไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆวงเล็บโดยอนุพยัญชนะก็ขอพระอาจารย์เมตตาที่าวงเล็บอย่าไปสนใจการ การแยกถือกับการรวบถือเนี่ย <c oughs> การแยกถือหมายถึงว่าเวลาโยมได้สมมุติสัมผัสทางกายโยมม อ, มองเห็นพัดลมต้องมีรูปมีลูกตามีวิญญาณทางตานี่คือองค์ประกอบผัสสะโยมก็ไปยึดว่าพัดลมสวยตาฉันก็สวยนะวิญญาณก็ของฉันนี่แยกถือเป็นส่วนๆนะ แต่ถ้ารวบถือทั้งหมดหมายถึงโยมจับความรู้สึกถึงผัสสะทั้งก้อนว่าการเห็นเนี่ยพอใจที่ได้เห็นได้กลิ่นก็พอใจที่ได้กลิ่นไม่ได้แยกเลยว่ากลิ่นเนี่ยการรับรู้ทางรู้สึกหอมอย่างเนี้ยมันมาจากกลิ่นจากจมูกและวิญญาณทางจมูกไม่รู้จักองค์ประกอบของผัสสะรวบถือทั้งก้อนผัสสะอย่างเนี้ยอืมอาจารย์คะ <c oughs> <c oughs> อ่าฮะอทางนี้ค่ะอยู่ไหนจะถามเรื <laughs> uh ่องสมาธิเ huh. ม uh ื่อกี้ท่านอาจารย์เมื่อกีท่านอาจารย์บอกว่าเวลาเราทําสมาธินี่มันจะมีสมาธิทางกิริยาการการกระทําอ่าฮะแล้วก็สมาธิอย่างก็คือทางลมหายใจออ่ เราจะต้องจาเป็นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราสามารถจะทำหลายๆอย่างรวมกันได้แล้วแต่ภารกิจแล้วแต่ภารกิจแล้วแต่ภารกิจใช่ใช่ใ่งนั่งเราก็ลมหายใจแต่เวลาเราทำการงานเ้วก็อยู่กับการงานเพราะบางทีการงานบางเรื่องเนี่ยทางโลกเป็นการงานที่ละเอียดถ้าเราส่งจิตเคลื่อนไปที่อื่นเดี๋ยวงานมันเสียงไงช่ะนะเสียง ลองย้อนอยู่ทางด้านเนี้เดินไปตามทางเนี่ยไหนก็จะเจอเชิญเดี๋ยวขอไม้ตรงนี้หน่อยเนาะการทำส ก, การะพระอาารยคืออยากจะสอบถามพระอาจคือเห็นในที่พี่คนนั้นพูดคืออาจจะเป็นเครื่องมือวัดของโซดาปฏิผลใช่ไหมครับ อ, อะไรคือเครื่องมือวัดของโสดาปฏิมาเครื่องมือวัดโสดาปฏิมามีสองกลุ่มเรียกศรัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลี <c oughs> คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงถ้าบุคคลใดมาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะผู้เจ้าบอกว่าด้วยคุณสมบัติตรงเนี้ยจิตของเขาเนี้ยเริ่มเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องละสามัญตนิยามระบบความถูกต้องก้าวล่วงชนปุถุชนภูมิเข้าสู่ภูมิแห่งสัพปรบุรุษไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกัมเนศเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทําการละคือตาย แต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลการเห็นอายตนะทั้ง6ไม่เที่ยงนี่คือภูมิธรรมของโสดาปฏิมาขั้นต้นเรียกสัตธานุสารีและถ้าใครเนี่ยเข้าไปเพ่งอยู่ด้วยปัญญาว่าตาหูจมูกเลี้ยนกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆศรัทธาแล้วเข้าไปเพ่งดูละเอียดขึ้นไปนิดนึงให้เห็นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรมานุสารี เป็นโสดาปฏิมักอีกเช่นกันและไม่ควรตายก่อนได้โซดาปฏิผลอย่างปุถุชนอย่างคนทั่วๆไปนี่คือสามารถก้าวข้ามจากปุถุชนไปเป็นโสดาปฏิผลโดยที่ไม่ต้องผ่านโซดาปฏิมักก็ได้หรือเปล่ามันต้องผ่านอยู่แล้วเยอะนะมันจะเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยมันต้องผ่านความเชื่อขั้นแรกก่อนเพียงแต่มันผ่านอย่างรวดเร็วนะใครจะผ่านเร็วผ่านช้าแค่นั้นเองทั้งสี่ขั้นอาจจะผ่านรวดเร็วชั่วขณะจิตเดียวก็ได้ ก็เป็นพลาหันเลยผู้ใหม่จะถามบ้างไหมพระอาจารย์คะน้องก็สงสัยว่าท่พระอาจารย์บอกว่าไม่ควรตายก่อนที่จะได้โสดาปัติพระพุทธเจ้าบอกแล้วถ้าเกิดเราบังคับการตายไม่ได้นี่คะบังคับการตายไม่ได้นั่นแหละเนี่ยคือความรู้ของพระศาสดาว่า ถ้าคนเนี่ยแตะถึงระดับนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่ควรตายก่อนได้โสดาปฏิผลแน่นอนอินทรีย์บรารมีเขาไงเขาจะมากพอที่จะได้โสดาปฏิผลก่อนสิ้นชีวิตนั้นความรู้ตรงนี้าศาสดาคนเดียวเลยที่รู้น ะ, ะเขาได้มรรคอยู่แล้วไงว ต, ต้องได้อยู่แล้ ว, ต แ, ลวแต่พระเจ้าจะใช้กับว่าไม่ควรไม่ควรตาย นั่นแสดงว่าอาจจะ 99.999% อาจารย์คะแล้วแปลว่าพวกเราทุกคนตรงนี้ก็คือกำลังเดินมัคอยู่เพื่อที่ประเมินยากอยู่ก็ประเมินยาก <c oughs> อยู่ที่คนคนนั้นนะ่ะประเมินตัวเองว่าเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็น์หรื อ, อยังใช่ไหม <c oughs> กับสินห้ากับความไม่หวั่นไหวในพระรัตรตรัยอย่างเนี้ยนะ <c oughs> แต่การประเมินได้อีกอย่างนะผู้เจ้าบอกอย่างนี้ว่า สัตตบรุษเนี่ยย่อมเห็นสัตตบรุษนะแสดงว่าคนดีเนี่ยมองคนดีได้กันได้อสัตตบรุษก็เห็นอสัตตบรุษเหมือนกันนะแล้วผู้เจ้าก็ตรัสว่าคนพาลเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนะนั้นกรรมการกระทําของเขาเนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็นคนพาลและบัณฑิตนะ <c oughs> นั้นในระดับที่ดูได้คือระดับของสัตตบุรุษ แต่พออารยบุคคลแล้วเนี่ยจะดูไม่ได้แล้วพ่อผู้เจ้าเนี่ยไม่ให้ประเมินบุคคลและคนที่จะประเมินอารยบุคคลเนี่ยมีผู้เจ้าองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นทําไม่ได้นะถ้าตายไปก่อนใช่ไหมโสดาปฏิมาจะเป็บบเนโสดาปฏิมาถ้าตายก่อนแล้วก็ชาติต่อมาเป็นโสดาปฏิผลต่อเนื่องหรือเปล่าคะ ขณะก่อนตายเนี่ยเดี๋ยวจะได้โสดาปฏิผลเพราะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่หลุดไปอยู่ใน0ู .0 นย์ศูเปอร์ซนะเนีเพราะว่าผู้เจ้าจะรู้ว่าคนที่มีกําลังภาวนาอินทรีย์ขนาดเนี้ยก่อนตายจะได้แน่นอนและผู้เจ้ายังบอกอีกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยจะมีอยู่อีกช่วงหนึ่งคือช่วงก่อนตายเพราะองค์บอกว่าการตายและการบรรลุธรรมเขาเนี่ยจะเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันนะไปบรรลุธรรมช่วงขณะตายนิดนึง แล้วหลังจากที่พระโสดาบันตาอยอะค่ะชาติต่อมาก็เป็นพระโสดาบันต่อหรือเปล่าคะโสดาบันเนี่ยผู้ที่ได้พระโสดาบันแล้วเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการไม่เที่ยงนะมั่นคงไม่มีตกต่ำนะใช่ใช่นิสัยเก่าต้องติดมาแน่นอน ถ้าโยมอยากจะขอถามนอกของพุท ธ, ธวจนะนี้จะได้ไหมคะได้เดี๋ยวโยมเข้าพุทธวจนะได้หมดนะค่ะคือว่าอย่างเช่นตอนที่เรายัางเด็กนะคะเวลาเราก็ไปวัดทางไทยเร uh huh. า, าก็จะไหว้พระกล่าไหว้พระทางไทยพอไปทางฮินดูก็กล่าวไหว้เทพ uh huh. แล้วพอทางไปวัดทางจีน uh huh. ก็ไปกลาวไหว้เทพองค์นู้นองค์นี้อีกพอปฏิบัติถึงได้จุดหนึ่ง เรามีความรู้สึกว่า uh huh. เราต้องการเข้าาหาธรรมมาจริงๆเราก็จะเลิกกราบไหว้กับทางเทพต่างๆใช่ไหมคะ uh huh. uh huh. แล้วเมื่อไม่นานมานี้โยมมีคนมาดูดวงโยมอะค่ะแล้วก็ uh huh. บอกว่าโยมเนี่ยไม่นับถือเทพทำให้เทพไม่รักเราก็เลยทำให้ทำอะไรก็จะติดติดขาดขาดชีวิตมีแต่ความไม่จเจริญรุ่งเร uh ือ huh. งซึ่งเราก็เลยเจความรู้สึกว่า uh huh. ถ้าเรา อย่าเข้าธรรมมาจริงๆเราก็ไม่ควรจะไปยึดติดทางนั้นแต่ว่าคำพูดของเขาเหล่านั้นก็มันจะเป็นสัญญาติดกับเราทำให้เรารู้สึกแต่ขิดต่ขวงใจอ่ะเดี๋ยวเอามาดูให้ใหม่มายงก็เลยจะได้หายายสัญแก้สัญญาเก่าก็เลยอยากจะขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์นะคะเรื่องนี้ก็คือคือยมไม่ต้องหวั่นไหวนะ เราเชื่อมั่นว่าพระศาสดาเราเนี่ยเก่งที่สุดเลิศที่สุดแล้วเราก็ตรงกับคําสอนศาสดาเราอย่างเดียวก็พอแล้วการพยากรณของคนอื่นเนี่ยไม่มีใครพยากรใครได้หรอกผู้เจ้าบอกนะถ้าโยมทราบในมิกสาราสูตรเนี่ยผู้เจ้าจะบอกเลยว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลอนนท์พวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลนะและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้พระพุทธเจ้าหรือเก่งเท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเพราะนั้นหมอดูคงไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้านะก็ปล่อยวางคํานั้นไปเลยอแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะถือเอเราต้องถ้าเราจะปฏิบัติธรรมก็คือเราเลิกกราบไหว้กับเทางเทพเหล่านั้นไปเลยจะดีไหมคะ อ๋อจริงจริงโยมก็ไม่ได้กล่าวไหวอยู่แล้วนะอ่าฮะก็หวั่นไหวไหมล่ะนะถ้าโยมมั่นใจว่าศาสดาเราเก่งที่สุดเพราะศาสดาประกาศว่าตนพระองค์เองเป็นสัพพันญอยู่นะแสดงว่าตัวศาสดาอาจจะโกหกหรือว่าโอ้อวดเกินไปใช่ไหมไม่เก่งจริงเทพองค์นี้อาจจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคือเราจะหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าของเราทันทีเลย เห็นเนี้ยพระอาจารย์มาขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ขอโอกาสครับพอาจารย์เทพองค์นั้นก็ตายเหมือนกันใช่ไ้มครับเทพองนั้นก็ตายเหมือนกันจะเป็นเทพเป็นพรมตายหมดนะโยมโ <c oughs> ยมไม่รู้เหรอว่าพรมก็ตายเทวดาก็ตายพรมเทวดามากราบผู้เจ้าทั้งนั้น <c oughs> นะอืมแล้วเราจะไปวิ่งหาใครอีกใช่ไหม ทำในข่าวว่าเราเทพช่วยในบางเรื่องได้จริงหรือเปล่าคะเทพช่วยในบางเรื่องได้จริงหรือเปล่านะโยมก็จะหลีกออกจากหลักของกรรมเพราะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกมีใครบันดาลให้ได้นะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องต้องทำความดีแล้วไปรอเทพบันดาลอย่างเดียวใช่ไหมเราจะหลีกจากหลักของกรรมทันทีเลยนะกลายเป็นเราจะไม่เชื่อว่าต้องทากรรมดีนะผลถึงจะดี เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเทพบรนดานนะไม่ต้องทำอะไรหรอ ก, อกนะ <c oughs> ตรงนี้มันก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่า <c oughs> จิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะสแสวงหาที่พึ่งนะ <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เป็นนันมากเนี่ยเ <c oughs> มื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วจะถือเอาสวนสักศิษย์บ้างป่าไม้บ้างลูกคเจดีบ้างเป็นสารณะนะนะ <c oughs> เราจะหาสารณะไปทั่วเพราะเรากลัวไง เราหวั่นไหวในขันห้ากลัวขันห้าเราจะแปลเปลี่ยนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวพิการกลัวเป็นน้อนเป็นนี่ความกลัวตรงเนี้ยจะทําให้เราสแสวงหาที่พึ่งนะท่นี้เราก็จะพึ่งผิดเนี่ยไปพึ่งภูเขาลุคเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์อาตมายังเคยเห็นคนเนี่ยมุดเข้าไปใต้ซากรถเราก็ก้มไปดูอะไรโอ้จอมปวกนะอ่ะเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาจอมปวกเห็นนะอ่า นั้นคนก็จะแสแวงหาที่พึ่งไปเรื่อยๆนั้นพู้ะเจา้าให้พึ่งสิ่งที่ถูกต้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติมรสการค่ะจิตคนแสวงหาที่พึ่งเนี่ยไม่ใช่คนเลวโยมพระเจ้าบอกเป็นคนดีเบื้องต้นเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิถีเบื้องต้นคนพวกนี้จะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามี แต่การเชื่อเช่นนี้เนี่ยยังหลุดพ้นจากสังสารวัตไม่ได้โยมต้องรู้ละเอียดขึ้นไปกว่า น, นั้นความดีที่ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นคือความความรู้ที่ออกจากสังสารวัตซึ่งมันมีอยู่คือมักมีองค์แปดหรือสินสมาธิปัญญา อผู้ใหม่ถามไม่หายสงสัยนะผู้ใหม่แ <c oughs> <c oughs> ง่มุมมันเยอะอนะถามพระอาจารย์นะค ะ, ะเกีเ่ยวกับเรื่องอากุศลแล้วับอากุศลจิตที่เกิดขึ้นที่ผุดขึ้นมาค่ะถ้าพอเรารับรู้แล้วจะทำเช่นไรต่อให้ดับมันหรือวาง <ยน S 2> มันหีอยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุสาหะความพยายาม อุโสละหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรไม่ถอยกลั บ, บสติสัมปทานยะเพื่อละเสียซึ่งอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเมื่อเห็ น, นแล้วมันจะรู้สึกมันจะมีเวทนาเกิดคือไม่ชอบอคําคําการที่เวทนาเกิดนี่คือปกติของมันใช่ไหมคะ มันจะเป็นไงก็ช่างมันโยมกลับมารู้ลมหายใจจบละอกุศลอันดับไปเลยมันมันไม่ได้กลับว่านะดันมันลงไปลงไปจิตใต้สำนึกไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่มีคําว่าจิตใต้สำนึกไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีและจิตไม่มีถูกเก็บไว้ ไม่มีเก็บไว้จิตมันกะดับตลดับลาดับไปดับไปเรื่อยพอโยมกลับมาลมหายใจจิตดวงนั้นก็สลายหายไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเก็บดองเอาไว้อยู่ข้างหลังเราไม่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสัญสมมุติว่าเราเห็นสิ่งสิ่งนั้นที่เราเคยไม่ชอบมันเป็นสัญญาตามที่ขันห้าพอสัญญาเกิดรู้ว่าไม่ชอบก็รู้แล้วก็วางมันเหมือนเดิมกลับมารู้ลมเหมือนเดิมทำไปเรื่อยเรื่อเหมือนจะค่อยๆหายไปเองใช่มใช่ใช่มันวกกลับไปเรื่องเก่า วกกลับไปเราก็ทิ้งใหม่ไปอ๋อทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจเนื้อเรื่องอ๋อโอเคไม่ให้ยึดตรงนั้นอ่าใช่ขณะที่โยมใส่ใจเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าโยมกําลังผูกจิตปิดกับอารมณ์นั้นแล้วอืพระศาสดาเรียกเธอกําลังมีสันโยคะอจิตผูกกับอารมณ์เริ่มด้านแห่งความเพลินค่ะแล้วทํายังไงให้เรารู้สึกว่าสักแต่ว่าอย่างที่คําของ พระพุจาใช่ครับสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็รู้แล้วอย่าปรุงต่อไงมันปรุงอยู่ก็ปรุงปั๊บทิ้งเลยทุกอย่างเดียวแล้นั่นแหละทิ้งอย่างเดียวจําสูตรนี้ไว้แค่นั้นค่ะใชค่ะเพราะมันต้องมีคําบรรยายต่อในใจตลอดเลยนั่นนหละเพื่อนสองเพื่อนสองมันปรุงแต่งต่อตลอดจิตมีเพื่อนสองผูเจ้าเลียงต้องเลีต่อตลอดขอบพระุณค่ะ อาจารย์คะขอเรียนถามพอดีวันนี้ช่วงบ่ายรู้สึกจะเน้นเรื่องจิตเรื่องการเกิดอะไรหลายอย่างถามว่ามีพบนี้พบหน้าอะไรนี้มีหรือเปล่าคะมีเงยเยอะนะพบนี้พบหน้าเนี่ยขณะนี้ก็มีขณะที่โยมนั่งอยู่นี้ก็มีคืออาจารย์หมายถึงเป็นช่วงเวลานาทีนี้วินาทีนี้ใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่ว่าไม่ใช่ช่วงขณะนาทีช่วงขณะของจิตเปลี่ยนการรับรู้นั่นเรียกว่าพบ แล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เรียกว่าพบอีกเหมือนกันก็มีพบมีจิตรับรู้หรือคะใช่เพราะว่าตัวที่โยมพูดถึงการตายและเปลี่ยนเนี่ยโยมหมายถึงรูปประาาป ธ, ธาสมหาบุตธาตุสี่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพบเนี่ยมีถึงสี่ธาตุคือ <c oughs> มนุษย์เราจะไปมองแค่ร่างกายตรงนี้ไงว่าเป็นพบแต่จริงๆนมามธรรมอีกสามตัวก็เป็นพบซึ่งหลังจากนั้นแล้วเราเราเราไม่สามารถทราบได้เนี่ฮะ ใช่ใช่ใ ช, ใช่ทราบได้คืออารมณ์สุดท้ายของเราอารมณ์สุดท้ายเราเป็นอะไรอัตภาพจะได้ไปตามนั้นนะฮะซึ่งพระเจ้าจะบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีนั้นทะโยมเกาะบุญก็ไปสุกติก่อนเกาะอากุศลก็ไปทุกติก อ, อันนี้หรือเปล่า <c oughs> ที่ทําให้คน <c oughs> คิดว่าทําบุญแล้วชาติหน้าเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทํำบาปแล้วก็จะตกนรกอะไรเงี้ยก็ถูกระดับหนึ่ง แต่แต<ช>เขาไปยึตินะไปยึดติดแล้วไปข อ, อไปอะไรเงี้ยะไปยึด ต, ติดแล้วก็ไปบ่นบานสารกล่าวอะไรเงี้ยป่ะฮะก็เพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นสมาธิแบบเบื้องต้นซึ่งเวลาเขาทำบุญเขาจะยังอยากได้การเกิดอยากได้สวรรค์นะอยากได้พรมอยากได้ความสุขสบายนะเป็นพระเจ้าเรียกว่ายังเนื่องด้วยอุปธินะมีส่วนแห่งบุญและบาปยังเป็นของหนัก แต่ก็ถูกไม่ได้ผิดนะขอบพระคุณคะ <c oughs> ่ะอ้าวเจอาจารย์ถามเรื่องเอสุญญาตาที่อนัตตาอัตตาเนี่ยค่ะดูยังไงทํายังไงแบบเข้าใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีโตมีตนนะคะอืม mm hmm. เห็นการเกิดดับอย่างเดียวนี่แหละมันจะค่อยๆเข้าใจตรงนั้นไปเองอพอเวลาเราเห็นอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับเนี่ย อย่างโยมหยิบก้อนน้าแข็งมาเล็กๆมาก้อนหนึ่งปุ๊บหยิบมาปุ๊บละลายหายหมดไปหยิบไม้ละลายหายหมดไปโยมเห็นมันตั้งแต่เกิดจนกทั้งดับเกิดจนทั่งดับเกิดดับเกิดดับโยมก็จะรู้ว่าก้อนน้าแข็งเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงค่ะจะว่ามันมีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ค่ะบอกไม่มีเอาก้อนนี้มันยังมีอยู่แต่สักพักเดินคล้อยหลังไปกลับอ้าวหายไปแล้วแล้วเพราะฉะนั้นตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคราวเกิดมาปุ๊บแล้วยังดูร่างกายเราแบบกความรู้สึกของเราว่า เรามันไม่มีจริงๆใช่ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดดับหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีจริงๆไม่ใช่ว่ามีจริงรมีชั่วคราวความเห็นตรงนี้ต้องปรับให้ตรงเลย <c oughs> มีชั่วคราวอนัตตา <c oughs> มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะเพราะถ้าบอกว่าไม่มีมันจะเข้าไปสู่นัตติตา <c oughs> ความเห็นว่าขาดศูนย์หรือ <c oughs> อุดเฉททิฐิ <c oughs> ถ้าความเห็นว่ามีจะเข้าไปสู่อัตติตา <c oughs> หรือความเห็นในกลุ่มสัสตทิฐินะตัวตนมี คือทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นมีขึ้นแล้วหายไปค่ะอ่าที่บรรยายสาวธิตช่วงอย่างช่วงนี้เหรออย่างช่วงนี้ก็ก็อัดเอาไว้อยู่แต่ไม่ได้มีใครไปเลือกไงไม่มีใครไปเลือกเอามา ทำเป็นแผ่นหรือว่าเอามาเรียบเรียงลงไปในเว็ บ, แ ต, ววบแต่มีเก็บบันทึกเอาไว้อยู่เก็บเก็บไว้ที่นี่อ่าฮะไปถามท่านโต้ให้เลือกวันเวลาพอให้ไปดูเทปเอานะ ต้องต้อ ง, ต, องต้องมีคนไปดูเรื่องเนี้แล้วก็ดึงดึงออกมาในในส่วนบรรยายที่กินกินความที่ครอบคุมเนื้อหามากๆ ก, ก็จะได้ได้ประโยชน์เดี๋ยวว่างเง้ยเช่นถ้าอาจารย์นะคำถามสุดท้ายอาของตัวเองนะคะคือเมื่อกี้ฟังท่าอาจารย์เรื่องการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมคมมมทีนี้มานั่งพิจาราการดับไปนี่มันมันมันไม่ได้หายไปเลยมันยังอยู่ใช่ไหมคะ ในเช่นน้าแข็งนี้มันละลายมันก็ไม่ได้หายไปอฮมันก็อยู่ในอากาศเนี่ยค่ะอันนี้จะอธิบายยังไงคะคือการตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันไม่ได้ดับไปมันเปลี่ยนสภาพปะการดับไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าธาตุดินน้ําไฟลมมันหายไปหมดนะเวลาพระราหันปล่อยวางไม่ใช่ว่าขันท่ามันหายไปนะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกอย่างนะมันแปลสภาพแล้วก็มันก็กลับมาได้ครั้งแล้วก็แปลสภาพไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ไง ความไม่คงที่ความแปลเปลี่ยนความดับไปนะความดับไปของสิ่งสิ่งนั้นนั้นความเป็นตัวมันเนี่ยของก้อนน้าแข็งเนี่ยมันมีชั่วคราวความเป็นน้ําก็มีชั่วคราวสักพักก็ละเหยไปนะความเป็นมนุษย์ก็มีชั่วคราวสัตว์มีชั่วคราวสุขมีชั่วคราวทุกข์มีชั่วคราวนะหายไปแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกแล้วก็หายไปอีกอย่างเนี้ยเนี่ยพระเจ้าให้เห็นตรงนี้ <Ừ. S 1> นั้นให้เห็นอะไรหเห็นความไม่เที่ยงคือมันแปลเปลี่ยน เห็นการดับคือหายไปจากสภาพเดิมเข้าใจอนัตตาคือตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคราวจากนั้นเนี่ยต้องเกิดปัญญาอีก3ามระดับคือเนตังมะมะเนโซมัสมินัเมโซวตาสิ่งใดก็ตามมีชั่วคราวแล้วหายไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นกับเราผู้สังเกตสิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนละตัวกันนั้นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่โยมโยมไม่ใช่ก้อนน้าแข็งใช่ไหมอ่าเพราะโยมไม่ได้ละลายไปตามมันเนี่ยตัวเนี่ย จะเป็นตัวที่เข้าถึงวิมุตต์ผู้สังเกตธรรมชาติใดก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผู้สังเกตนั้นจะไม่เกิดตายไปด้วยนะสิ่งที่พระศาสดาให้สังเกตไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งแต่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นนั่นคือเรากำลังสังเกตตัวเองและกำลังทำความเข้าใจกับตัวที่เราคิดว่าตัวเองเนี่ยว่าไม่ใช่เราแม้แต่จิตของเราเราก็บอกจิตฉันแต่พระเจ้าบอก จิตไม่ใช่ของเธออย่างนี้อ่าใช่ให้ละวางให้หมดมันความเป็นตัวเราหาไม่เจอเลยไม่มีนั่นคือถูกแล้วนะใช่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะตายนะอ่าไม่กลัวการแปลสภาพไม่กลัวการตายนะใช่พูะเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เมื่อรูปตายเนี่ยเธอจะไม่ตายไปตามรูป เมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับสังขารดับโดยที่สุดเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณเราจะเห็นวิญญาณเกิดดับแต่เราไม่ได้ดับไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้เราก็เหนือวิญญาณใช่ไถูกต้องนะอยู่เหนือความตายไงคือคือจิตใช่ไหมคะที่เหนือวิญญาณ น, นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรียกวิมุตติยานณนัศนะเราต้องเรียกสมมุติให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าจิตมัโนวิญญาณศาสดาบอกสามชื่อเนี่ยตัวเดียวกันคือ ผู้รู้ที่ยังเกิดดับผู้รู้นี่รู้อะไรรู้สี่ธาตุเนี่ยรู้ลูกเวทนาสัญญาสังขารนะจะถูกเรียกว่าจิตมโนวิญญาณหรือวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์หรือ <c oughs> ท่า น, นี้คนที่เข้ามายึดขันทั้งห้านเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีสิ่งสิ่งหนึ่งสภาวะหนึ่งที่มีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นมัน ความไม่รู้ในเลสสัตติมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกยึดติดอยู่ในภพนะแต่ถ้าพอตรัสรู้แล้วทําวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้เนี้ยผู้หายหลงเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกว่าวิมุตติยาณทัศนะเข้าใจไหมอ่าซึ่งวิมุตติยานทัศนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุติรวมเรียกว่านิพพานนะก็คือเราทั้งหลายเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของตัวเองเท่านั้นเองนะมไม่ได้ไปเกิดอะไรใหม่ กลับเข้าสู่สภาวะเดิมตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วนะครบขอบคุณค่ะ มีไหมผู้ใหม่เชิญไม่มีมาเรื่อยๆต้องสั่งสมสุตตะเรื่อยๆนะพอไปปฏิบัติกลับบ้านไปปฏิบัติมีข้อสงสัยอะไรก็แวะเวียนมาถามนะมผู้เจ้าให้ฟังทำตามการนะเวียนสิบสองขั้นตอนให้มากนะเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้สวสดลงฟังซึ่งธรรมนะเวียนกลับไปกลับมากลับไปกลับมา กลับไปประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิมีข้อสงสัยกลับมาซักถามผู้เจ้าบอกเมื่อพบผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะเนี่ยให้เธอเข้าไปซักไซไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ไหนด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทาที่ถูกปิดไว้ได้นะและอา น, นิสงส์ของการซักถามปัญหาได้มากว่ายังไงใครจาได้ไหมเป็นผู้มีผิวพรรณงามสีผิวดุจทองนะอ่า ใครสักถามปัญหาเก่งงั้นถามต่อถามเรื่องที่มหาสติปัฏฐานสูตร uh huh. ที่เป็นสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย uh huh. ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ uh huh. ช่วยอธิบายให้ตามพุทธวจนะนอ๋อก็คือคือสติปัฏฐานสีเนี่ยผู้เจ้าอธิบายด้วยอนาปาอย่างเดียวนะอนาปานาสติจิตเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยไปรู้ลมหายใจเนี่ย จะเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ี่ครบแล้วใครสังเกตเห็นลมที่จิตไปรู้เนี่ยเรียกว่ากายานุปัสนาสิปัฏฐานใครเห็นจิตเรากําลังรู้ลมสนใจที่ตัวจิตว่าจิตกําลังรู้ลมไม่ได้ไปรู้เรื่องอื่นเป็นจิตตานุปัตสนาใครรู้สึกว่าจิตที่รู้ลมอยู่เนี่ยมันก็เฉยเฉยไม่ได้สุขทุกข์อะไรเป็นเวทนานุปัสนาใครเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นธรรมานุปปัตนาแค่นั้นเองเห็ น, นอ่าสรุปแล้วลงราหมายใจในครบทุกเรื่องนะอือหือ้อ ในแง่ของการเดินจงกรมเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้แบบว่าลักษณะของการตื่นตอนเช้าใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ใช้หนขณะเวลาที่ที่เดินแต่ไม่ได้เดินกลับไปกลับมานะเจ้าคะมันเปนกาดินรอบเมืนเป็นการออกกําลังกายเนี่ยเจ้าค่ะแต่ว่าหน้าขณะที่การออกกําลังกายนั้นเราเอาจิตมาดูหน้ขณะที่กายที่กายเจ้าค่ะแล้วก็ การเดินหรือว่าการเคลื่อนไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูรมด้วยสลับกันไปอย่างเงี้ยจ้ะค่ะก็อันนี้ถือว่าถือว่าได้เป็นได้เดินจงกรมเหมือนพอเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งสมาธิจ้าคือเดินเอาจิตอยู่กับกายอย่าให้จิตส่งออกไปที่ไหนจ้าก็ก็มีการลาดนั้นที่ถ้าเกิดว่ามีจิตเพลินก็กลับมากายแล้วก็ถูกมหาลมมืนแค่นั้นเลงจนครบชั่วโมงในการออกกําลังกายแล้วก็นั่งถูกต้องคือจะได้ใช้ได้สองประโยชน์ใช่เพราะว่าโยมมานั่งนึกถึงที่ว่า อย่างตอนที่พระท่านออกบินทบาทใช่ไหมเจ้าคะนั่นโยมก็คิดว่าท่านก็เดินจงกรมไปดบินทบาทเราก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเดินกลับไปกลับมาในทางเดิมแต่เราก็เดินรอบรอบรอบรอบที่เที่ยวกําลังกายหรือรอบบ้านหรือรอบสถานที่ที่เราอยู่ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะอ นั่งสมาธิก่อนเลิกไม้นะสักพักหนึ่งนะสักห้านาทีนะทำความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานะ ก่อนออกจากสมาธิก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาปฏิบัติธรรมฟังตามของพプラตถาคตก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในธรรมะของพรラตถาคตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนาที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันต์ใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด